คงจะูถึงวคซีนสัสัมผีนะฮะผมก็ขอพูดถึงที่มาที่ไปก็อาจจะไม่ได้เรงลำดับจากข้อปีเดิร ม, มาสู่ข้อปีใหม่แต่ ว, ว่าจะพูดถึงข้อปีใหม่แล้วย้อนกลับไปข้อปีเดินะฮะเพื่อเพื่อจะให้เห็นความสำคัญก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีภาพถ่ายบ้างแล้วก็อาจะพูดเพิ่มเติม อ, อย่างนี้ถ้ามีคาถามก็ถามได้นะฮะนีก็ถ้าเกิดผมพูดแล้วบางคนจะสงสัยอันนี้ไม่ได้เป็นเทศจนะเป็นการเรียนเี <c oughs> ่ถามได้ตอด นะครับถ้าถ้าบางอย่างที่ถามแล้วมันมีคําตอบที่ตอนนี้นคุยถึงผมก็จ ะ, อะบอกว่าเดี๋ยวจะจะตอบในตอนต่ อ, ดอดไปเดี๋ยวถ้าไม่ได้เตรียมในคําถามที่หลายคนจะถา ม, มก็จะกันย า, ยาตอบให้นะครับก็คิดว่าหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าขั้วพีเนี่ยมีเพียงเล่นเดียวนะมีเพียงเล่นเดียวแต่จริงแล้วขั้วพีประกอบด้วยหนังสื อ, อ66เล่นบางคนบอว่าไม่ขั้วพีแพงจัง น, นะบางค น, นก็ บอกว่าหนังสือกุมารเมเนทแหงนี้ไหมพ้อีหนังสือศาสนาหน่แหงนี้แต่จริงๆแล้วพ้อพีไปซื้อ66เล่มมันก็แพงกว่านี้แน่นอนแต่ว่าเราเป็นการรวบรวมหนังสือ66เล่มอยู่ใ น, นเล่มเดียวกันนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับพ้องีกั บ, มกบสมุดขนาดใหญ่ที่รวบรวมเรื่องราวหนังสือนะฮะหลายคนจะรู้จักคําว่าสารานุกรมสารานุกรมก็คือรวบรวมข้อมูลต่างๆไว้ด้วยกันนะฮนะ แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคนในเมือ ม, มากก็ลงไปอ่านว่าพีมาเวลายาวนาะนหลายสิบวั น, พพนแต่พวกเขาแต่คนพบพระเจ้าเอ่อพ่อพีนี่แตกต่างหนังสือทั่วไปคือหนังสือทั่วไปเนี่ยพอออกมาพักหนึ่งเขาต้องขายลดราคาแต่นีิงแล้วพ่อพีอรอเราไม่ได้ค้าอะไรกันคุณแต่ว่าค่าปีมันเพิ่มขึ้นก็คือว่าถ้าใครมีพ่อพีตอนที่ผมเป็นเด็กอยู่เนี่ยผมจําได้ผมซื้อพ่อปีเด็มเล่มเนี่ยราคาสองบาทนะฮะแล้วหนากว่าด้วย นะแต่ว่าปัจจุบันก็มีหลายราคานะตั้งแต่ 300, 5 0อ 700, าอก็มีนะฮะก็เป็นหนังสือที่เขาเรียกอะไรไม่ล้าสมัยหนังสือทีอ่ถูกใช้อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็คำสัง่งคำพีได้ช่วยชีวิตคนสำคัญ ข, ของเราที่ผมต้องเอ่ยนามคือมาดิวดูเจ นะให้พวกทานบอกมาดิด er ูเตอร์เนี่ยก็เป็นบาทหลวงเป็นทังบวดในผู้แก้บวชเป็นพระของแคทอรีนะแต่ว่าเขาไม่ได้ออกจากการเป็นบาทหลวงเพราะว่าเขาไปเชื่อในศาสนาอื่นแต่พอเขาได้อ่านข้อพีแล้วเอ๊ะสิ่งที่เขาเรียนรู้ในในลาวิอัลกธรรมเนียมเนของศาสนาเนี่ยมันทำให้เม็นอนกข้อีแล้วก็ อย่างดินดน้นลนเขาพยายาม้องสู้กับชีวิตก็ค <บา S 1> ือว่ามีสาบานแล้วทำไมยังยังบากอยู่เอ่อจงนั้ามาพบพบคำตอบในพระธรรมโรมบทที่1นึข้อสินะเขาก็เลยเริ่มที่จะศึกษาภั้พีอย่างจริงจังแล้วเขาก็ไปผู่เอ่อลีดเดอร์ปฏิรูปศาสนาทำไมต้องพูดเรื่องพวกนี้มาก่อนก็คือว่าจริงๆแล้วพีอ่ะมาถึงเรานานแล้วแต่ว่าเอ่อบางคนเนี่ยก็คือมียุคเราเรียกยุคมืด้ว่ยัพีเนี่ยถูกเาเรียกอะไร ถูกเป็นข้อห้ามห้าม ค, นะคนธรรมดาคนธรรมดาอย่างเราเราเนี่ยไม่มีสิทธิอ์อ่านแล้วก็คนที่อธิบายคือบาทหลวงหรือพระก็ทำให้ข้อนีเนี่ยถูกปิดตายนะมีอยู่แต่ถูกเก็บซ่อนไว้แล้วก็บอกคนธรรมดาอ่านไม่เข้าใจคนที่อ่านเข้าใจคือพระแต่บาวคนพระเองก็ไม่ได้อา่านนะบาทหลวงเองก็ไม่ได้อา่านก็เลยเก็บไว้เป็นเป็นร้อยเป็นพันปีนะทำให้คนเนี่ยนะรู้ตา <laughs> ไม่สว่างนะฮะถูกข้ อ, องานด้วยและที่ความเชื่อต่งางๆนะครับมาทินปูเตอร์เนี่ยท่านได้พบความจริงว่าสิ่งที่ขี้นจากในสมัยนั้นไม่ทานั้นนะไม่สอดคล้องกับคำสอนในพระสามันธีท่านถึงได้ทําการเป็นปรูปศาสนาเมื่อวันที่สาเอตุลาคมหนึ่าเดือนนี้นะอีกไม่กี่วันวก็จะครบเทไร่หนึ่งเจโลกสองเป็นเท่าไรกี่ปีนะ รอบกี่ปีนะฮะ490ปีแล้วนะฮะก็ทําให้เราที่เป็นคนรี่หลังเนี่ยได้รับการปลดปล่อยแล้วก็สิ่งที่น่าอัศจรจะเกิดขึ้นหรือกำลังเกิดขึ้นก็คือว่ามีหลายคนในทาลที่ผมเป็นในขานการของสมานกมมีคนชอบมาถามผมว่าพวกแคลนิตงานพวกนีเล่นเดียวเราหรือเปล่าก็ตอบตอนนี้เลยว่าอ่านเล่นเดียวกันแต่ตอนนี้เขากําลังมีเล่นใหม่ของเขาเอง อีกไม่นานจะมาจากเกาหลีของเขาเล่นหนักขนาดนี้เพราะว่าเขาจะใส่ฟุอนเยอะมากแต่ว่าคาทิกตอนนี้อ่านข้อมีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะตั้งแต่วันการที่2หรือโป๊จนอที่2ึ่งสดไปลเนี่ยมีนบายที่จะให้คนอ่าข้อแล้วก็โปองค์ปัจจุบันเนี่ยโปแอนซิสเนี่ยเขาอยายามประสานงานกับ คือเสตตุในนิการต่างๆบอกว่าถ้าไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแคทรีคให้เป็นโปรตีนแต่ต้องการทำให้แคทรีคเป็นแคทรีมคมากขึเพราว่าแคทรีคแปลว่าขึ้นจังนะฮะก็ตอนนี้โปรโมงนี้เนี่ยก็ป๊อปลาลมากมันะะก็ไปดาราไไปที่ไหนก็มีข่าวทั่วไปเมื่อก่อนเนี่ยจะทำข่าวต้องให้คนที่ข่าวด้านเรื่องศาสนามาทำข่าวแต่ดเดี๋ยวนี้โ องค์ปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นเข้าในหน้าสวิตทั่วๆไปด้วยเพราะว่าท่านจะเปลี่ยนทิีชีวิตของโปองค์ก่อนก็คือเข้าหาคนนะถ้าจะพูดถึงสิ่งที่มาดิเนเจอร์ทำเนี่ยคือมาดิเนเจอร์เป็นผู้เปิดโอกาสให้คนธรรมดาสามัญได้มีโอกาสอ่านหนังสืตัวเองก็คือพวกเราที่เป็นโปรสแตน์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยต้องเงบมาฟังเทศแล้วเราก็มีสิทธิานัสส่วนตัวแต่ปัญ า, าคือคิเโเนี่ย อือกูสามีเสรีภาพในการอ่านแต่ไม่ยอามาอันนี้เรื่องหนึ่งนคืออความเทอย่างเดียวแต่จริงๆเราต้องกลับมานะาเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดว่าต้อมีมาอย่างไรอันนี้เป็นการเกิด น, นำเพื่อจะให้เห็นความสาคัญว่าเรามีข้มลนีมันต้องต้องถูกแรงด้วยหลายอย่างให้เราข้อมีลได้ไงผู้นาก็ได้โอกาสว่าไม่ใช่ไปซื้อข้อมมานะไม่ใช่อยู่ดีก็อยากได้ก็ไปร้านหนังสือแล้วก็ซื้อมาจริงๆแล้วมก่อนจะมาเป็นหนังสือให้เราอ่านื่ผ่านขั้นตอนเยอะ นะฮะบางอย่างันข้าไปดีพูดสั้นๆก็คือว่าอันนี้พูดถึงเปิดก็มีให้ให้กับคนทนแต่ว่ามันมียุคนึงที่เพื่อให้รบัรสำคัก็คือมียุคนึ่งก็คือมีการแปลวามดีด้วยนะอย่างเช่นไมโครเนี่ยแล้วก็จินเดียวเนี่ยคนหลังเนี่ยเมื่อเขาแปลความีด้วยเนี่ยเาต้องเสียชีวิตแค่แปลไก็ ก็เป็นเรื่องแล้วนะแต่พอมั่งผีอย่าง่บอกมั่งผีมาถึงเราเนี่ยโดยพอมั่งผีมาทาไทยไม่ได้มาถึงเราง่ายๆมกว่าจะมาถึงเราเนี่ยต้องใช้เวลาหน่อครับอ่านี่นี่ผมเราแบบย้อนหลังใ่ก็เมื่ออ่ามาตินลูเธอร์ต้องการให้คนมีมั่งผีของตัวเองเนี่ยอันนี้คือแท่นปินจำลองเนี่ยเขาอ่ให้เห็นว่าแท่นปินชื่อว่า g ูเทนเบิร์กอ่เป็นอ่าแท่นปิน ครั้งแรงที่มาดินดูเทอร์เนี่ยเมื่อแปล ก, ก็กีเป็นภาษาเยอรมันแนะล้วบูเทนเบิร์กเป็นเป็นชื่อแท่นบินที่อ่าไม่ใช่เครื่องจักรนะคือเาอออกาต้องเอาหน้าต่อหน้าแล้วก็เอาเอาเอ่อแปลงกดนะ<ส>ดเป็นมืงนะต้องใช้ขันต้องเน่นๆเพื่อกดเนี่ยติดลงไปในกระดาษ น, นะอันนี้ผมได้มีโอกาสไปที่ประเทศเกาหลีแล้วก็ที่อ่า สมาคมวันที่สที่เกหลเนี่ยเขาได้ทำอันจะรอ ง, ง, เงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเนเป็นกระดุที่เขาทำจะลองให้เห็นว่าข้อผีเนี่ยถูกพิมพ์ในยุคปัจจุบันเนี้ยนะในข้อสองหนึ่สีห้าศูนะฮะได้คือก่อนก่อนที่ปฏิรูปก็คือว่ า, ามีการพิมพ์หนังสือในอดีตแล้วก็ข้อผีก็ได้ถูกพิมพ์ด้วยเคร่งพิมพ์แบบนี้ในสมัยสมัยนั้นก็ก็ถูกเก็บรักษามาเย เ, เนย ที่สงองปีสองนี่คือกินถึปี2 0ง2ันสใช<า>่อันนี้อันนี้ผมไม่ได้ทามเขาเข้าใจว่าอาจจะถูกใช่ถึงปี2002ันสดีเนี่ยคือแต่ว่ามีโ ค, ครคอองการเป็นเขาเรียกว่าแฟนซีไบโอคือข้อมีเขาต้องการรักษาคือข้อมีภาษาอังกฤษเนี่ยผมได้ทาด่ายรูปมาถ่ายแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำก็คือจะมีการเขียนด้วยสีต่างๆก็คือว่า ถ้าต้องการรักษาตัวโบราณเนี่ยคือมันเพย์คอมพิวเตอร์มันใช้ไอ้แทนพิมพ์ไรแบบนี้ว่าไอ้ตัวแต่ขั้นตอนแต่ตัวเนี่ยถ้าจะมาทำใหม่ก็คงไม่มีใครทำฟอนแบบนั้นถ้าอยากจะเก็บไอ้คําดีโบราณไว้ก็จะยังใช้อยู่ถึงปี2002นะครับกรนีเราพูดถึงไอ้รของควาดีนะฮะ เราพูดกันบ่อยๆว่าข้อพีเป็นช่วยงานของพระเจ้านะฮะแต่เราก็ยอมรับว่าข้อพีเนี่ยไม่ได้อ่าเหมือนกับที่เราอ่านในตำขรโยงที่พระเจ้าเนี่ยเขียนครั้งแรกอ่าแล้วก็ต่อมาชุดที่2ให้โมเสสเขียนนะอ่าก็ถ้าจะพูดว่าข้อพีเขียนเป็นคำพูดที่อธิบายหรือว่ามีผู้เขียนหนคนก็ต้องมีผู้เขียนหลายคน แต่เล่นก็บางเล่มเราก็รู้เองจนหลายฝังจากโปโลนี้รู้ชัดเจนว่าผู้เขียนเรือจากโปรโลแล้ววันนี้ที่เราอ่านใน2000ปีการบอกว่าบางครั้งอาจารย์โปรโลก็ให้เลขาเขียนบางครั้งก็เขียนเองแบบด้วยลายมือของข้าเจ้าเองด้วยมือที่โตๆเนี่ยนะฮะโดยมือหลายคนแต่เป็นมือที่รับการดนใจจากพระเจ้าแล้วก็ไม่ได้เขียนในสมัยเดียวกันแต่เขียน หลายสมัยนะฮะแต่ว <c oughs> <th> ่าทําไมถึงบอกว่าเป็นพินาศของพระเจ้าท้กที่มันก็เป็นคนเขียนก็อธิบายว่าที่บอกเป็นวินาศของพระเจ้าก็เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้เปิดเผยหรือตนใจให้คนเรงเขียนแต่ก็อยากจะบอกว่าพระเจ้าตนใจให้ตนใจนะครเป็นหุ่นยนต์นะครับใพระเจ้าเอาติเตอร์คือได้หมาว่าพูดคําต่อคำแล้วเขียนนะฮะแต่ว่าพระเจ้าเนี่ย ให้คนนั้นได้มีประสบการได้เ so ห็นบางสิ่งอย่างแล้วก็เป็นผู้บันทึกแต่ว่าก็มีอีกบางบริบทที่อยูในตำบุตรผู้เผยนาที่บางคนเขียนว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าพระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าตรัสดังนี้แหละนั่นคือพระเจ้าเหมือนกับว่าผู้บรรลุเนี่ยบรรลุคํากับคําแต่บางอันเป็นประสะเป็นเหตุการณ์เป็นเรื่องราวเนี่ยก็ไม่ได้บอพระเจ้าตรัสแต่ว่าเป็นการเล่าเรื่องที่อยูในเหตุการณ์ลักษณะของ การเผยแพรของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นรูปแบบเดียวที่เป็นการพูดแบบคําต่อคํานะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือถึงแม้มีผู้เขียนหลายคนแต่ก็ยังพูดเรื่องเดียวกันแต่คําว่าเรื่องเดียวกันนะฮะไม่ใช่แบบคั่บปี้กันมานะอย่างเช่นถ้าเราอ่านพระกิตติคุณถ้าเรามีข้ามผีเราจะเห็นว่าในข้ามีของเราเนี่ยจะมีหัวเรื่องนะครับโดยวพระกิตตคุณไม่ใช่แค่ ปกติมีพวกมีอะไรเล่นจะมีหัวเรื่องเสร็จแล้วจะมีตัวบางๆวงเล่นผมไม่แน่ใจว่าพวกเราใช้ส่วนประกอบเราเรียกว่าฟีเจอร์แล้วกันนะความถี่ที่เราใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เราแอปเล็ตเนี่ยพวกนี้มีฟีเจอร์หมดสิ่งนั้นจะบอกว่าข้อความคล้ายกันกันเนี่ยปรากฏอยู่ในขั้นตอนไหนนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่แต่ถ้าเราอยากรู้ว่ะความถี่ ที่ปรากฏอยู่ในพมีตอนนี้ปรากฏที่ตอนอื่นไหมเราก็ดูวงเล็บบอกบทบอกข้อที่เไปเปิดอ่านแล้วก็มีเรื่องราวคล้ายๆกันนะครับแต่ก็อยากจะบอกว่ามีบางเรื่องที่อยู่ในข้อผีที่ผู้เล่นดูอาจจะจเหมือนกันยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยมากเลยคือเขาทำมัตสิวเนี่ยบางครั้งมีคนถามว่าพระเยซูรักษาคนตาบอดกี่คนอ่ะ บางคนก็ตอบดีบางคนก็ชัาหลัเลยนะคราวนี้ถ้าเรารู้ว่าผิดเราก็ต้องถามกลับไปว่าคาถามเนี่ยถามถึงถ้าทเล่นไหนเพราะว่าทำคนละเล่นีบันทึก1คนอีกเลนหนึ่งบันทึก2คนนะตอนที่บอกอ่าวแลเรื่องจริงๆมันเป็นไงนะเราก็อาจจะบอกเอ๊ะฟัผิดน่าเชื่อถือไหมเอ่อ บางคนนี่กลัวมากที่เห็นข่าวพีที่เมันเรื่องๆเราจีิแตกต่างกันอบางคนที่แม่ผมที่เรียนก็จะเอาเหตุการณ์ที่ไม่เหมือนกันที่ปรากฏในข่าวพีแล้วมาชี้บอกว่าข่าวพีไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าจะตอบผมว่าน่าเชื่อถือมากเพราะว่าข่าวพีไม่รอง ก, กันผมเป็นอาจารย์สอนในตรงนี้ไม่ซ้ยบางครั้งถึงแม้ผมที่เรียนตรงนี้ไม่ซ้ำเนี่ยก็มีปัญหาคือ ลอกรายงานหรือลอกในห้องเรียนก็รู้ได้ไงทาผมผด้ผมไม่เห็นนะแต่ผมรู้ไอย่างไรฮะแม่อสองคนมันเขียนเนกเปะเลยไม่าวางพูถ้าคนสองคนเนี่ยเขียนทุกกาเหมือนกันทุกก็คือลอกกันและนะ้ยผมจะให้พวกเราเขียนรายงานว่าในห้องเรียนเนี่ย เราเรีอะไรในบ้านอ่างคก็เลคเชอร์ทุกตัวต่ออันตัจะเป็นเลคเชร์ถูสอนบางคนก็านานอาจจะออกข้องพีไปต้อไปออ น, นั้งทบทนวันนีเรียนอะไรกันแล้วก็เขียนโน้ตหมก็เอาสองคนมาเปรียบเทียบกันทั้งที่อยู่ในเวลาเดียวกันแต่จะไม่เหมือนกันพอพอเข้าใจไหมใช่การไม่เหมือนกันของห้องีเนี่ยก็ทําให้เราเชื่อถือได้มากกว่าการเหมือนกันทุกตัวสอน คือคนเห็นเหตการเดียวกันเนี่ยถ้าอยู่ถ้าห้องเนีอยู่หน้าห้องเนี่ยก็จะไม่เห็นผมอยู่หน้าห้องเนี่ยผมจะเห็นผมมจะบอกพวกเราได้แน่ใจว่าห้องนี้มีกีคนขณะที่คนอยู่ข้างหลังก็จะต้องหรือคนอยู่กลางยิ่งตำบากเลยต้องหรือหน้าหรือหลังไม่มีกี่คนกันแน่แต่ถ้าคนอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็เห็นจํานวนได้ชัดเจนอาจต่จะไม่เห็นรายละเอียบางอย่างที่คนข้างหลังเห็นนะฮะว่าคนที่อยู่ข้างหลังจะเห็นว่าผมท่านผมยาวแต่คนที่อยู่ข้างหน้าจะเห็น ผมในส่วนหนึ่งแต่จะมองไม่เห็นอีกส่วนเพราะฉะนั้นผู้เขียนว่ามคิเนี่ยถึงแม้เขียนเรื่องเดียวกันเนี่ยจะไม่เหมือนกันทุกตัวอักษรแต่ยิ่งการไม่เหมือนกันทุกตัวอักษรยิ่งน่าสนใจ่ก็คือว่ามันไอส่วนที่สัมพันธ์มันจะเหมือนกันเช่นพี่เอชวิทึกตื่นตามบนบางเขนเนี่ยถึงแม้จะมีรายละเอียดไม่เหมือนกันแต่ว่าทุกคนบอกพี่เอิึเนี่ยสิ้นไปส่วนบนงเหมือนกันนะครับและอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่า ข้อมีลใหม่เนี่ยมักจะอ้างข้อมูเดิมแล้วมักจะอางว่าสิ่งที่เผยแพร่ไวหรือพยากรไวในข้อมูลเดิมนี่ได้สาเร็จนะฮะได้สำเร็จก็จะถามพวกเราว่าทุกอย่างที่อยู่ในข้อมูลเดิมสาเร็จหรือยังยังใช่ไหมแต่บางคนก็คิดว่าสาเร็จหมดแล้วทีนี้ก็ยังนะฮะทำไมเราที่เป็นทฤีต้องอ่านข้อมูเดิมอยู่้วถ้าคิดมีข้อมูลใหม่ บางคนสมัยผมเนเด็กเนี่ยเราชอบมีคําพูดคําหนึ่งเขาบอกว่ามีสันหมายถึงว่ายุคก่อนเนี่ยคิดเซียนซื้อแต่บ้องมีใหม่แล้วไปโบกก็คือแต่ต้องมีใหม่แล้วก็รู้สึกมันง่ายดีเราคิดว่าบ้างปีใหม่เนี่ยมันเป็นของตก่ที่สมบูรณ์แล้วแต่ปัจจุบันเราก็ถือว่ามีทั้งเล่นนะฮะเราเรามีอาวุธที่ครบมึอไม่ใช่มีเพราะมีสั้นนะฮะเพราะฉะนั้นในพัฒรมคำคำพีเนี่ยเราก็จะพบว่ามีบางอย่าง ที่ได้เปิดเผยไว้อย่างเช่นพระธรรมอิยาหพูดถึงพระเยซูเกิดมาเกิดด้วยหีงจารีก็ได้สาเร็จในนักมาเรียมาดาของพระเยซูคริสต์อันนี้ก็สาเร็จนะครก็มีหลายอย่างสาเร็จแต่ก็ยังไม่ทั้งหมดที่สาเร็จนะครยกตัวอย่างเช่นในพระธเอเซเคียลเนี่ยได้พูดถึงว่าวันหนึ่งเนี่ยน้าในทะเลตายจะกลายเป็นน้าจุดมีฟ้าที่อยู่ที่นั่นปรากฏตอนนี้สาเร็จยังไหอย่าง นะแต่ทามว่าจะสำเร็จกมื่อไหรนะ่ถ้าผมจะเดาก็ไนดะ้สาเร็จตอมที่จะคิดสออกเพราะว่าเรื่องราวที่อยู่ในกระธรรมเอี Q, มันจะไปซ้ำกับกระธรรมวิบอทมีมีต้นไม้อยู่เนี่ยแต่ในพระธรรวิบอทไม่ได้ะบูให้เห็นว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนแต่ว่าใ น, นพระธมเอเซยเู่ดถึงทิศทางอะไรเนี่ยหลายคนเข้าใจว่ากระธรรมเอพูดถึงทตายนะแต่ว่าในพระธรมวิบอทไม่ได้พูดถึงทะเตแต่ว่าก็มีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายคลึกั น, นนะครับ อีกสงหนที่น่าสนใจก็คือขั้วผีเป็นสื่อที่ขายดีที่สุดเกิทุกวันนี้ก็ยังขายได้อยู่นะครับถึงแม้ ว, ว่าจะเป็นหนังสือทีเอ่เก่ามากแลพูดถึงเรื่องเก่าๆแล้วก็ถูกแปลออกเป็นภาษาต่างๆมากที่สุดในบรรดาภาษาที่อยู่ในโลกอาจจะมีหนังสือที่ขายดีในปัจจุที่ถูกแปลเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยก็มีบทแปลเยอะ แต่ยังไงก็ไม่เท่ากับข้อควมพีนะครับเพราะฉะนั้นข้มพีจึงเป็นหนังสือที่ถูกแปลมากที่สุดก็คือคนต่างวัฒนธรรมต่างภาษาก็ยังอยากอ่านข้ควมพีนะครับเร่อเกี่ยงเราบอกว่าควมพีเนี่ยเป็นพินัยกรรพระเจ้าเรากได้รับการเปิดเผยไม่ใพระเจ้าจากมือเราเขียนแถามว่าพระเจ้าเปิดเผยให้กับเราเนี่ยเปิดเผยอย่างไรก็จะบอกว่ามีการเปิดเผย สองแนวทางคือเปิดเผยโดยอ้อมและเปิดเผยโดยตรงการเปิดเผยโดยอ้อมก็คือการดูสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างยกตัวอย่างเช่นครับคุณหนิงคะยากสุดที่จะเข้าถึงแต่เป็เนภาษาระวัอะอะงอ่าพันกว่าภาษาอ่าตัวเลขผมไม่ได้เอามาแต่ว่าทุกปีเนี่ยสมาคมอา่าจะมีอา่า การสถิติจะอยู่ในคิดสันติบาลสองฉบับที่แล้วผมไม่ได้นำมาด้วยแต่ว่าพันกว่าภาษาแล้วจริงๆเขาบอกในโลกนี้มีประมาณ6กพันภาษานะคราวนี้เวลาพูดถึงจำนวนพ่อผีเนี่ยมันบางภาษาเนี่ยก็แบ่งครบทั้งภาคสัญญาเดิมและภาคสัญญาใหม่แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มจากสัญญาใหม่ ก็มีบางภาษาเนี um ่ยแปลเสร็จเฉพาะภาคปัญญาใหม่ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมกำลังดูแลภาษาหนึ่งเราจะรู้ว่าภาษากรหลแต่กรหลีมันมีหลายภาษากรหลที่แปลเสร็จแล้วคือสกอปนะกาหลีสกอปในตอนนี้เรากลังแปลเกรหลโป ก็โปรแบ่งเป็นโปรเหนือโปรอะไรเยอะแยะแต่ตอนที่เรากำลังดูเกลียโปเหนือกลีโปเหนือเนี่ยแปลเามีหม่เสร็จไปประมาณ2ี่ปีแล้วตอนนี้กำลังแปลเมีเดินใกล้เสร็จแล้วอีกสักปีก็น่าจะเสร็จนะฮะก็นี่ก็จะถูกนับว่าเป็นข้าพีอันนึ่งที่การแค่อยากจะรู้นะว่าขาพีตอนนี้เข้าๆมันก็ไม่เพาทุกๆวันจะมีจานวนภาษาเพิ่มขึ้นนะครับก็ ไม่ทราบใครใช้พวกมือสือหรือแท็บเนนะล็ตรอว่ารอเข้าไปที่ U version นะคว U version หลายคนก็อาจะดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะนะในนั้นเนี่ยจะมีให้เลือกว่าภาษาต่างๆมีอะไรบ้างภาษาต่างๆมีอะไรบ้างก็ภาษาไทยใ น, ในนั้ น, นแล้วภาษาไทยเนี่ยมีวันซเวอร์ชันใน U เวอร์ชัด้วยกันนะนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากกรู้เนี่ยจะดีไ่ดีเดี๋ยวก็อัปเดต อย่างสมงคสาคมวัฒนธรมไทยเนี่ยก็จะมีพัมพีภาษาไทยฉบับหเนฉบับสอสแล้วก็นอกนกั้นาก็จะมีชวมรรณธรรมอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็มีอัอนนึงสามาคมวัฒนธรไทยเองก็จะมีภาษาเมียนภาษาเมียนเนี่น่าสนใจมากครับภาษาเมียนเนี่ยมีถึงสอักษรคืออักษรไทยอักษรลาว อ, อักษรโรมันแบบเกา่าอักษรโรมันแบบใหม่คือภาษาพูดหรือภาษาที่สือ่อสารกันเนี่ยเป็นภาษาเดียวกันแต่เวลาบันทึกเนี่ยเนื่องจากคนเมียนอยู่ประเทศไทยก็ใช้อักษรไทยอยู่ลาวใช้อักษรลาวหรืออยู่ประเทศจีนหรืออยู่อเมริกาเนี่ยเขาต้องใช้อักษรโรมันเพราต้อ ง, องเรีนยนอักษรไทยแต่ว่าเมื่อเผยแพร่เขาก็เลือกได้วเขาอยากใช้อักษรแบบไหน แต่ข้อความเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าใช้อักษรไม่เหมือนกันมันต้องข้ามเลยคนจีนะคนจีเนี่ยใช้อักษรเดียวกันนะตัวตัวพิณะหรือไม่ใช่เรื่องนคือหน้าตาที่เป็นเป็นรูปอ่ะตัวเดียวกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันแต่คนพิณเนี่ยออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าใช้ตัวอักษรคนละตัวกลับกันนก็เป็นอาจจะเป็นภาษาเดียวในโลกนะปัจจุบันที่เป็นภาษาเดียวกันแต่ว่ามีสี สียสอนแนวะที่ใช้อยู่นั้นถ้าใครอยากจะรู้นายนายเข้าไปดูยูวชันก็ลองกดปุ่มในภาษาแล้วอาจจะต้องยังนน้น่ว่ามีภาษานะแต่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจะเพิ่มขึ้นนะเรื่ยอยๆซุปปี้ก็จะหรือภายในแต่ละปีจมีจานวนข้อมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นโครงการร่วมวสส ม, มือกันระห ว, ว่างสคมกับหน่วยงานที e ่เขาเรียกว่าเอทเซึ่งเป็น อ, องค์กรที่อยากให้ข้อมีถูกแพ่หลายทาง สื่อสารทัลอิเล็กทรอนิกส์ก็ทาให้คนปัจจุบันไม่ว่าคนไทอยู่ที่ไหนก็จะได้อ่าได้ทั่ีนะครับการเดยโดยออมที่เเห็นก็คือธรรมชาติก็คือคนจำนวนมากบอกว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้าหรอกถามว่าโลกนีเกิดขึ้นยังส่วนนึงเคนไทยที่ถูกสอนมหมดเกิดขึ้นธรรมชาติธรรมชาติเกิดขึ้นยังไงล่ะถมีคนสั้นไหมหรือ ในการมีคนสร้างไหมระหว่างโรคมนุษยเรากับในการซับซ้อนตัวกันเราก็ต้องบอกว่ารลกนู้เนี่ยซับซ้อนกว่าในการขนาดเนี้ยยังต้องมีคนส้างแล้วโลกนู้นไม่มีคนตร้างไปไปได้เนี่ยครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าหลายอย่างที่นักวรทยาศาสตรรู้ก็รู้ไม่จริงในชั่วชีวิตของผมเนี่ยคือว่าหลายท่านก็ผมจะมีความรู้ใกล้ชิดผมก็คือว่า ตอนผมเป็นเด็เน่ในชั้นเีนวิยาศาสตร์เนี่ยผมดดยรยประเทศไทยไม่มีแผ่นไหวเพราะว่าไม่ได้อยู่ในแนวแผนว่นดะินไหวนะแล้วก่อนที่จะมีซึนามิเพประเทศไทยไม่มีซึนามินเนาะนะประเทศไทยเนี่ยโอทุกอย่างนีหมดแต่ที่ไหนไนดะ้ทวันนี้ที่จังหวัดชีงราเนี่ยถ้าใครมีญาติที่น้องหรือติดตามข่าวไปข่าวไม่อยไม่ค่อยตอเนี่อนะก็คือเกิดแผ่นดินไหวมาหลายเดือนะแล้วตอนนี้ยังไม่หยุดยังไม่หยุดไหวเลยนเราเรียกว่า aftershock คือไม่มีที่ไหนในโลกที่ after s h o ทุกวันวันหลายครั้งเหมือนที่จังหวัดเชียงรายก็คือว่าเรากำลังให้ความยกยอมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ราะว่าเนี่ยวิทยาศาสตร์บอกว่าอย่างนั้นผมว่างนี้แต่สิ่งที่วิทยาศาสตร์พูดเนี่ยมันไม่เป็นความจริงมันมันมันมันพิสูจน์แล้วในช่วงชีวิตคนเนี่ยมันมันไม่ไม่ถูกต้องแล้วตอนที่บอเรื่ออธิบายไม่ได้ทำไมรับเลือดชอกมานานจังเมื่อไหร่จะเลิก นะโดยั่วไปเนี่ยคนที่เป็นคนชีงรเนี่ยเก่งกว่าเครื่องไหวหนึ่งครั้งผมเลยได้กี่ลิตรก็ชินรู้เลยว่าเดี๋ยวนีตองแบบทำดีไม่ต้องมีเระ่วัน่งเขาบอกเลยตอนนี้กี่ลิตรก็ชินไหววันละหลายรอบไใช่แค่ทุกวันวันละหลายรอบเขาบอกเลยตอนนี้กิ่ลิตรแล้วก็ยังไม่ต้องสร้างบ้านใหม่เพราะว่าอะไรมันยังไหวอยู่เทปูนก็สูงกาะจกแต่งหมทุกคนก็ยัง ยังต้องอยู่นอกบ้านนะฮะกับคนที่ที่ถูกหลังยินบ่อยก็ยังชอบไม่ได้นะครับถ้าเปิดเผยโดยตรงก็พระเจ้าเป็นผู้ตรัสกับผู้เผยเลยนะแล้วก็พระเจ้าเปิดเผยโดยตรงเลยที่เยซูตรัสอ่ะก็ที่เยซูกับพระเจ้าเป็นอย่างนี้ก็ชี่หลายคนคงรู้แต่ขยายความนิดนึ่งก็คือสิ่งที่พี่เยซูตรัสก็คือะเจ้าตรัพราะว่าพี่เยซูเป็นพระเจ้านะอ่าถ้าถามว่าทำไมพี่เยซูถึงถูกตึงบนไม้เกศ ก็ตอบว่าข้อหาที่ร้ายแรงที่สุดที่พวกสภาอยู่จ้าพีเยสูก็คือบอกว่าพีเอสูอ้างตัวว่าเป็นพระเจ้าถ้าถามว่าพีเยซูยอมรับไหมในพาะธรรมโมว่าที่ท่านว่าสุขแล้วก็คือผมไม่ได้ปฏิเสธการเป็นพระเจ้าของอผมถึงแม้ผมมั่จะปิดบังไม่ให้ใครรู้แต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่กําหนดคมก็ไม่ปิดบังผมไม่บอกว่าไม่ใช่ คงไม่ปฏิเสธนะถ้ามีบางเชื่อถือการก้อนทันวาเองนี่มันน่าแต่แต่มาลาโตผู้ชื่อเลยใช่แล้วอ่ก็คือสรุปก็คือว่าพระเยซูยอมรับว่าพงศ์คือพระเจ้าหรือตอนที่พงศ์เริ่มภาสกิตเนี่ยคนม้อยคนหนึ่งเนี่ยถูก4ี่คนถามตอนหย่อนเข้ามาที่หลังคาเนี่ยเสร็จแล้วพระเยซูแทนที่บอกว่าอ่ะรรักษาเจ้าแล้วพระเยซูต่บ้างง บาปของเจ้าได้รับการอภัย้ไอ้บาปอ่การเจ็บปวดทีเกี่ยวข้องกันไงอันจะิญล่าก็รักษาโลกนนี้ต้องมาบอกว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วพอคนที่อยู่ที่นนกนี่มีประมาทพระเจ้าเนี่ยใครมีสิทธิ์ที่จะยกโทษได้ย่เวนพระเจ้ามีแระจ้าแพระเยซูเนี่ยใช้สิทธิ์ของพระเจ้าในการบอกคยว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วนะสรุปว่าไอ้พรองเนี่ยอุปโลกตัวเองว่า ผมนีมีสิทธิในการยกโทษความบเพื่อจะยืนยันว่าผมมีสิทธิ์ในพงษ์ทำไงผมก็บอกให้ผู้ชายคนนั้นรู้ขึ้นแล้วขึ้นเดินไ้ก็คือว่าถ้าการที่บอกว่าพี่เยซูมีสิทธิอำนาจในการยกโทษบาแต่ผู้ชายคนนั้นน่ยไม่ได้รู้ขึ้นเนี่ยไอ้สิทธิอำนาจของการยกใหปมอเไม่เห่ไม่ทราบไนมารหางานรู้รคือถ้าพง์บอก่าามึเที่ยว ถุงทุ้งแล้วผงก็โมเมได้ไม่มีใครมองเห็นว่าเนี่ยถูกยกกิ้งเขาแบแต่เพื่อให้เขเห็นว่าโมเมอย่านั้นยกกิ้งก็เลยบอกลุกขึ้นแล้วเดินได้พอรุกขึ้นเดินได้ก็คือบวกกันระหว่างได้รับอภัยและการหายโรคมันเกี่ยวข้องกันแน่นอนเราที่เป็นคุณเสือเราไม่ได้บอกว่าทุกคนที่ไม่สบายเนี่ยเกิดจากความบาดบางคนก็อาจจะไม่ได้เกิดความบาดเช่นคนตาบอดต่ก็ทํายอดแต่ว่าพ่อแม่ทำบาปหรือตัวเขาทำบาปที่สูงไม่ใช่ แต่เพื่อเขาจ่ถวายเกียรแต่พระเจ้างั้นเพียงสองอันนี้มันเป็นพลับุญแต่เราที่เป็นผ้เสาเราอากอนามีทั้งเล่นก็คือเพื่อไม่เข้าใจอย่างไรอย่างแล้วเราที่เป็นผู้เสพที่บอกว่าอยากตัดสินโทอเนี่ยเราจะไม่ตัดสินโทรศัพก็ต่อเมื่อเราได้อ่านวามีทั้งเล่นมันจะรู้ว่ามันแล้วแต่โรยบุของเหตุการณ์ในชีวิตของแต่ละคนนะครับเหตุการณ์หนึ่งที่พระเจ้าเปิดเยก็คือผ่านมิ นิม uh, ิตในความีใหม่ก็อย่างเช่นอาจารย์เฟโลขึ้นมาอธิษฐานแล้วก็เป็นครั้งแรกที่จะเปิดเผยเผยออกเสิร์ฟห้กคนต่างชาติแต่ก่อนที่คนต่างชาติจะมาเรียนให้ไปที่ซิซารียก็เห็นนิมิตมีผ้าแล้วก็มีสัตด์ที่เป็นบนที่ลอยลงมาแล้วก็เสียงจากสวรรค์ก็บอกว่าให้ข้ากินเฟโลเพราะตั้งแต่เกิดมาเป็นคนยูไม่เคยกินอาหารที่เป็นมอนทินเลยแต่ ข้อผ no um, mm ีก็เป mm. ็นว่าอะไรที่พระเจ้าชงรักให้สาแล้ว uh, ก็กินนั้นเพื่อจะเปิดเผยว่าในสุดเนี่ยพระเจ้าจะนําคนหนักชาติที่คนยิวะไปบนดินนั้นเข้ากมาแทนพระเจ้าก็เปิดเผยลิมิตแล้วก็มีลิมิตหลายตอนในในข้อผีเดิมนะหรือความฝันที่เรารู้จักดีก็คงจะเป็นเรื่องของโดเซนใชมเมื่อฟาโลฝันไปีเจ็ปีนะแล้วก็เขาถ่ายฝันเนี่ยพระเจ้าก็เปิดเผยให้อ่า โยเซรู้แล้วก well, ็ทำนายฝันได้ถูกต้องแล้วก็ได้รับการรักรปิดูแลเรื่องีการที่เจ๋งกว่าก็คือว่าแม้ท่ปัจจุบันเนี่ยมีพวกหมออยู่ทั้งหลายหรือพวกทำนายฝันต้องบอกความไว้เขาถึายได้แต่ที่เจ๋งที่สุดก็คือเนเรื่องของแดนเนี่เมื่อกษัตริย์ในรูปพระเาชเรียกนดาผมเนีาก็ให้ทายก่อนแล้วก็ عة, คนแล้วบอกอ่ะเราเล่าให้ฟังจะถายให้แล้วก็ไม่มีใครบอกว่าในโลกนี้ uh, Daniel, Adrian, nice. huh? really> ั้งแผ่นดินโลกไม่มีใครบอกความฝันหรือไม่สามารถทำนายฝันถ้าไม่เล่าความหมายให้ฝังจะทำนายได้ไงแต่ว่าแดเนียลเนี่ยสามารถทำได้นะก็คือถึงแม้ว่ากระสันเนรูขัณฑิศาไม่เล่าความฝันแต่แดเนียลเน่เล่าความฝันที่แดเนอรูคัณิศาเลี้ยงทำนายฝันได้อีกนะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยความฝัน ให้แดเนียลแดเนียลก็ทำได้ก่านนะก็คือจะมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ให้รู้ว่าการว่ามีมาถึงเราได้อย่างไรก็มีแบบตรัสโดยตรงมีพระูคริสขึ้นเป็นพระเจ้าเสด็จมาในโลกเปิดยให้เราเห็นแล้วก็ดำเนินชีวิตและตลัดกับเราแล้วก็ผ่านนิมิตแล้วผ่านความฝันอันนี้ก็คือแนวกวา้วางที่ทำให้เรามีวาีที่เป็นตัวสื่นะฮะ ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จ ะ, ะพูดถึงว่าข้อพูลน่าเชื่อถือไหมผมก็อยากอธิบายนี้ว่าข้อพิสูจน์ในโลกนี้มีข้อพิสูจน์สองแนวแก่แยบดกั น, กนคือข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และข้อพิสูจน์ทางประวัติศาสตร์อย่างทุกวนันนี้ที่เป็นข่าวที่ยังไม่จบก็คือคดีที่เกาะเต่าเราติดตามอยู่ผมดูบ้างไปดูว่าแต่ดูมันยังไม่จบตอนแรกก็นึกว่าจบแล้วเพราะว่าจับของคนนด่นตอนนี้ก็ยังบอกเป็นแพะใช่ไหม จะพิสูจน์ได้ยังไงะก็ในการพิสูจน์เนี่ยมันมีสองอย่างผสมกันในคดีก่อตงก็คือมีการไปเทปใช่กล้องวงจรปิดกล้อนวงจรปิดเห็นด้านหนึ่งก็วิทยาศาสตร์เด้านงคือตัวัตาสตร์ก็คือว่าเห็การตอนนั้นแหะแต่มันไม่มีภาพอันหนึ่งก็คือไม่มีภาพตอนกระทาเรื่ออกมันก็เลยจบไม่ได้มันมีภาพ เหตุการณ์ที่จะซื้อบุรีหรืออะไรเนี่ยอันนี้คือภาพภาษาไม่เป็นลักฐานทางภาษาแล้หลักษานทางดิบดเบทที่มันอาจจะม่อนดีนะคดีเกาเต่าเรื่องดีนี่มันมันมันยังไม่ไม่ไม่สรุปบอกว่าบางอย่างมันสูญเสียไปนะแล้วก็อันนึงก็คือขาดขยันเพราะว่าไม่มีใครเห็นที่มาเล่าให้ฟังได้ไอ้คนที่สุจริไม่ได้ทำ เพราะฉะนั้นเมื่ อ, อขาดพยานในกรณีขึ้นศาลเนี่ยต่อยมพว่าพยานนี่สำคัญไหพยานหมายถึนคนที่เห็นเห็นจะ้ะก็คือพยานนี้เป็นเป็นพอติสารนะไม่ใช่วิทยาศาสตร์ถืว่าผมเราว่ามีอะไรเกิดขึ้นพวกเราเนี่ยไปเราให้คนที่ในมาห้องนี้ฟังเขามีเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ฟังเราเขาฟังเราหรือไม่ฟังเราขึ้นอยู่กับว่าเขาเชื่อเราหรือไม่เชื่อแต่ว่าเป็นพอติสารใช่ไหม แล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีวรสานที่ดีขึ้นีกหน่อยคือการอัดถายลูปอัดเสียงก็เป็นวัตถิสนะประสมวิยทยาศาสตร์นิดหน่อยนะฮะอันนี้ข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์กับข้อพิสูจน์ทางประวัตศาสตร์ต่างกันคือข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องเกิดซ้ซําๆได้หลายครั้งพิสูจน์ได้ด้วยการทําซ้ําในห้องนิงกรกัยจะได้ผลเหมือนกันไม่ว่าจะทำอ่ากี่ครั้งนะฮิธีการพิสูจน์ต้องเป็นสิ่งที่เห็นได้วัดได้แล้วก็ บรรยายได้ว่ามันเป็นแงนะคือใครทาก็ได้ด้วยหมายถึงว่า s 2 o S2 ตัว O อีกตัวหนึ่งนะไฮโดรเจน2อออกซิเจนหนึ่งจะต้องได้น้นะจะใครทาก็ได้ผลเหมือนกันนี่คือข้อพิสูจน์ทางเทศาสตร์แต่ข้อพิสูจน์ทางวิาศาสตร์ไม่เหมือนกันข้อสูตรทางวิทาศาสตร์ที่มันยากเพราะบางเรื่องเกิดทางเกี่ยวเช่นูิงกิดจาหผชายเกดตายเนี่ยมันตายสอทางไม่ได้ มันตายในคร้งเดียวที่มันยุ่งยากเนี่ยคือเอาวิทยาาสตร์มิสุดว่าไหนเรียงๆก็ขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ตายหม่ทําไม่ได้ทําังไงถึงตายทําไม่ได้มันมันตายไปแล้วมันเป็นหัวตีสามแล้วเขาจะไม่สามารถขึ้นมาใช้คุณฆ่าซ้ำๆๆๆได้อีกนะฮะแล้วก็สิ่งที่ต้องพิสูจน์ก็คือว่าได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่พิสูจน์ผ่านวัสยาต์ วิทยาศาสตร์นี่ยมกิสามด้แต่ภาษาเนี่ยมันาจจเกิดครั้งเดียวแต่สิ่งที่ต้องพิสูจน์คือว่มันเกิดขึ้นจริงไหมพระเยซูตายจริงไหมโง่ฟื้นขึ้นจริงไหมอย่างเงี้ยเป็นข้อพิสูจน์ทางผลทาแต่หลายคนพยายามจะเอาเรื่องเอ่อเป็นที่เป็นความตายการสิ้นชนมตัวไม่เข็ดเนี่ยเป็นการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ถ้าจะเป็นพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์คือให้พิสูไปครั้งหนึ่งแล้วดครั้งที่ฟื้น แต่ทำให้ตายอีกครั้งก็กลำลัาบาข้อพิสูจน์ในสวัสนะข้อพิสูจน์ทางวัติศาสต ร, ร์นี่มันไม่ใช่เป็นข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ในเรื่องทาซ้ำไได้ต้องอาศัยหลักฐานทางองค์ประกอบต่างๆอย่างเช่นขเนขาไปหากรีนะก้นกรีหาดีเนเอแล้วก็หากระจุพยานนะบางครั้งเราอ่านข่าวล้วก็แปลป็นทำไมต้องขอขนาดนั้นนะ อย่างเช่นคดีฆ่าครูญี่ปุ่นนะผู้ชายฆ่าหันศพแล้วก็เล่าว่าตอนที่หันศพเนี่ยเขากลัวเพือนเลือดเขาเลยต้องถเสื้อาแต่เหลือเก่งนอันนี้รูปกระดึนะแต่ว่าเพื่อจะเล่าซีเรียสันาไในการหายนหลกานเนี่เสร็จแล้วพอเขาเล่าอย่านี้ตำรวจ้งาไงตำรวจต้ไปคนบ้านแล้วต้องไปเจอกันเก่งในนั้นด้วยเพื่อจะว่าไอ้สิ่งที่เกิดเนี่ย เออมันมันเป็นจริงคือที่พูดเนี่ยผมต้องการชี้โยงอดีตต่อปัจจุบันนิดห่อเรื่องพ่กแค่เก่งในทำไมมันสำคัญนักหนาไม่ทราบคงนเทนต์ไปแค่เก่งในอ่ะคือในในอันนั้นถึงข้อพิสูจน์ทางประวติศัตร์อันนี้ผมเข้าใจนเดี๋ยวจะโยงเรื่องเรื่องเรื่องต่อไปก็คือว่าข้อข้อพิสูจน์ก็คือว่าถ้าเราไม่ได้เก่งในน้ำหนักก็น้อยไปแต่ว่าถ้าเจอเก่งในที่เรื่องเรื่องด้วย ถ้าตัเางเก่งไหที่เลือเนี่ยเป็นเรื่องของคนตายด้วยเนี่ยเขาก็สรุปสรุปสํารวจคดีได้อย่างมั่นใจแต่ถ้าไอาคนนี้พูดเฉยๆแล้วไม่มีาหาไม่เจอมันก็ไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นเาเรียกหลักฐานทางพิธีกรรมตอนนี้นมาพูดถึงประเทศไทยยุคผมเนี่ยยุคสมัยนี้รู้เป็นไงแต่ยุคผมเนี่ยโอพิษศาสตร์เป็นข้เกพราุศสตร์่ไม่ไเ อ, อยู่เหมือนกั น, น แต่ว่าการสร้างข้อจกัดของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ก็คือถ้าต้องการอะไรเกิดขึ้นซ้าๆกันหลายครั้งได้ต่ต้องสามารถควบคุมปัจจัยรอบด้านทุกเรื่องให้เหมือนกันผมเป็นวารที่โรงมิีนประชามรนานชาติหรือ ICS International Community School เนืี่ประชุมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกรรมการในการประชุมแต่ว่ามีบางครั้งเนี่ยพวกอาจารย์ฝรั่งเนี่ยเข้ามาลบกันว่าของที่เขาสั่งมาจากเรริกา เอ่อุปกรณ์ทดลองดีสัต์เนี่ยพามาถึงเมืองไทยมันไม่ได้ผลเหมือนกับที่อยู่ที่อเมริกาพราะอะไรเพราะกระจายมันไม่เหมือนกันคุญปู่ความชื่นมิ่ัน่เหมือนกันมันอุปกรณ์อย่างมีสัตว์อะไรมนนอกแต่พอเข้ามาในห้องล a b ที่ประเทศไทยมันไม่ได้เกิดผลตามที่เขาเคยทํำที่ไหมริกาเขาก็งงอีูพักหนึ่งแต่ถ้าจะตอบง่ายๆก็คือว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามีปัจจัยอื่นอื่นนะ บามเชื่อคือภูมหรืออะไรที่ทําให้การทดลองเดียวกันเนี่ยมันไม่เกิดผลเพราะว่าเขาไม่ได้ควบคุมตัดใจเหมือนกับเที่ยงอะไรอย่านมันก็เกิดผล ไ, ได้นะครับอีกการนึงเราไม่สามารถดำเนิการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ว่าตอนเช้าวนี้นายกอไปทํางานหรือไมนเราไม่สามารถบอกได้ว่าตอนเทีย่ยงนายขอกินข้าวเที่ยงหรือไมนไม่ทราบเขาจะอะดีไหมสําดวนนี้ คือเราเอาวิทยาศาสตร์มาอาจจะได้นิดนึงตรงที่บอกว่าในกอรอกินข้าวเช้าทุกวันก่อนไปทำงานแต่ก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าเช้าเนี่ยกินหรือเปล่าด้วยวิทยาศาสตร์นะอาจจะได้ก็คือต้องไปเอ็กซเรย์ไปถ่ายเรียกอะไร น, นะหรือตาสาวก็วนี้พร้อมมันมีแล้วก็มาคำนวณแบบ เวียร์สายเล็นิดหน่อยว่าอาหารเนี่ยอยู่ในท้องเนี่ยกี่ช่วองอะไรแล้วอะไราเงี้ยอันนี้ก็อาศัยเวียร์สาแต่คงไม่ ย, ยอมทำแบบนั้นทําให้ไปเล่สนสำคัญมากนะครับก็ก็จะบอกว่าก็จงังกนทางเบสยร์สาก็มีอยู่ไม่ใช่เวียศาสายไม่มีข้อจำกัดและมีข้อจกัดคราวนี้สิ่งที่ใกล้เข้ามาแล้ว น, นะครับที่เกี่ยวกับความดีการพิสูจน์ทางวิประกอบด้วยพยานาลฐานสามเพดหลักฐานจากคาพูด ที่เกถึงพวกเราเนี่ยคำพูดของพวกเราเนี่ยเป็นหลักฐานนะบางครั้งเนี่ยบางคนเขาึงแกบบัดวีดีโ อ, อเนี่ยเก็บไว้แล้วก็คุยไปคุยมาแล้วก็เอาคาพูดของคนงนั้นไปคาพูดเนี่ยถือว่าเป็นพยานหลักฐานเน่ยมข้อเยอย่างเดียวนะแค่คาพูดเนี่ยถือว่าจะฟ้องอไม่ฟองก็ได้ถ้ามีมีหลักฐานของคนีพูดอย่างนี้มีเสียครับ เอการจากข้อเขียนนี่ก <get> sí <on> <town> ็ช <and, S 1> ัดเจนที่สุดเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามันจะถูกบังคับให้เซ็นแล้วก็ป้าสังเวียนนี่เราเอาข่าวปัจจุบันมาเรใช้ป้าสังเวียนเนี่ยเผาตัวเองเพราะว่าอะไรไปเซ็นเงินกู้แล้วบอกว่าก็อ่านไม่ได้แต่เซ็นไปแล้วค้ออิสระเนี่ยเอาตามอะไตามไอ้สิ่งที่เขียนอ่อันนั้นเป็นหลักฐานอ้ข้อเขียนไปหลังฐานต้องเหนบางทีก็ต้องใช้พยานหลักฐานที่เป็นวัตถุอย่างเช่นตรวจเนี่ยประจับน เช่นเขาใช้อาุปืนก็ต้องไปหาถือว่าเอาปืนไปที่น้ําก็ต้องส่งประจาน้ําไปเอาปืนแล้วก็ถ้าที่เกิดเหตุมีปอกประสุนต้องเก็บปอกประสุนอันนี้เราเรียกว่าวัตถุพยานวัตถุพย า, านสำคัญหนักสำคัญเราสามารถเชื่อว่าสิ่งที่มันทึมไว้ในวัตถุนีเป็นความจริงเพราะได้ผ่านการตรวจสอบทั้งสามการนี่แล้อันนี้จะจะให้เรา ขีดนิดนึงข้อมีไหนบอกว่าข้อมีเป็นข้อเขียนบางคนบอกเฮ้ยข้อมีเป็นเรื่องแต่งอันนีพูดแบบซื่อถ้าเป็นเพื่อนสนิทถ้าเป็นเพื่อนสนิทคุแต่งบ้านอะไรอันนี้ขอใช้ตําไว้ดนิดหน่อยไม่ได้ต้องการพูดทอย่างแต่งบ้านอะไรถ้าคุณอ่านข้อมีนะมีชื่อเมืองเยอะแะานละไเลยมีวันที่มีชื่อเมืองมีระยะทาง มีชื่อคนอีกเยอะแยะที่เราไม่คนเคยถ้าคุณไปนั่งชื่อแาหูเป็นเป็นพันึ่งนหมื่นสายดอกไม้แต่ไม่ไม่บอกการทั้งหนึ่งน้นและมีชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งทไมไม่ไม่เขียนอย่างนั้นนี่ยทำไมมงเขียนชื่อที่มระอ่านยากๆเสียบกเขียนมาไม่เยอะแยะเพราะอะไรรู้ไหมคนหลัานั้นมีตัวตนจริงๆเลยกว่าดิสาแล้วมีการเปลี่ยนชื่ออย อัปลามความเ็นัปลามต้องเป็นอัปลามสาวโตต้เป็นสาเปาโตนะหรือเปโตก็เป็นเคฟัสแนหรือเปลี่ยนไมมัเรื่องอพวกนี้เยอะแยะก็มันยุยากลจาก็จาไม่วไม่หวพราอะไรพะนันเป็นเรื่องจิงนะแล้วก็มีข้อเขียนถ้ามีธีก็มีการตั้งิีข้อเขียนนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้การีไวต์ปีเล่นนึงด้วย แต่เม <unes, S 2> <renewal> ื่อก well. uh, like, ี้เราพูดถึงแผ่นดินกูเทเบิลอ่ะปฏรูปมันหนึ่ราแตว่าแผ่นดินเวยมเกิดขึ้นก่อนก็คือว่ามีการอ้างอิงหนังสือเล่มอื่นในข้อมีของเราด้วยว่าในข้อความเนี้ยบางก็ใช่คนสองงานารืออะไรนะแล้วก็พยายามฐานที่เป็นวัตถุตอนนี้มีเพียงก็คือการลุกค้นโบราณวีมีบางคนได้ไปประเทศสเปนถ้าไปที่ประเทศสเปนเนียจะมีชื่อสถานที่ มากมายนะที่ที่ที่จะบอกว่าอันนี้เป็นเป็นที่ที่มีอะไรอยู่นะแล้วก็เป็นวัตถุโบราณนะที่เก่าแก่อย่างเช่นเดเรโกก็ยังอยู่เป็นสซากที่เก่าแก่มากหรือกําแพงฟูงยาเซนทีอ่อยู่ข้างล่างที่มันใหญ่โตโบราณมั่นหมายแล้วก็ยังมีการกคุ้ค้นงทางโบราณคดีอย่างไม่หยุดยั้งก็คือจะมีวัตถุพิาีที่สามารถ พุทานหรือว่ากุโมโม่ังของพระเยซูหรืออะไรพวกนี้เ ป, นเป็นเป็นวัตถุพยานไม่ใช่ชิ้นเดียวมีหลายชิน้นแล้วก็ถ้าเราไปพิจณาพธั์ที่ยุโรปเนี่ยถ้าใครไปที่ British Museum ก<ม>็จะเจอ ว, วัตถุพยานที่เกี่ยวข้องค่ามีเยอะนอาซีเรียบาบิโลนหรืออันอน่งที่เป็นวัตถุพยานที่ใหญ่โตมากก็คือพว ก, กริทีู่นะ่นก็เป็นวัตถุพยาน ราซึ่งวิทยาศาสตร์ย อ, อบไม่ได้ว่าปริมิซันถ้าเราบอกว่าคุณอธิบายไม่ได้ว่าปริมิซันอย่างไร้อบอกว่าในโลกนี้ไม่มีพรมิซันผู้ใดถ้ามีคนมาบอกว่าไอ้เรื่องปมันเป็นเรื่อ ง, องกโกกก็พูดไม่ไดู้ดไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าเออมันไม่มีมันมีแต่คุณอธิบายไม่ได้ว่ามันถูกสร้างไงแล้วคุณจะบอกว่ามันไม่มีเหมืน <itas> อนกับว่าในโลกนี้ มีพระเจ้าแต่คุณบอกว่าอธิบายว่าที่พระเจ้าเกิดยังไงการอธิบายว่าพระเจ้าเกิดมายังไงไม่ได้นี่ไม่ามไม่ดีพระเจ้าเหมือนกับว่าอธิบายไม่ได้ว่าเป็นที่สร้างที่มาเงินแต่มามีอยู่อ่พือโทษเดแบนวางอยู่ตรงนั้นอ่ะคุณจะปเอาเไถล่มอย่างเง้ไม่ถล่มอย่างงเพรามัใหญ่โตมาโบราณมากนะครับอีกอันนึงก็คือมัมี่มมี่ะในวิทยาศาสตร์ยังหาสูตรเทีนมีที่เจอเล้ว่า มันทำํำยังไงให้ให้มีชีวิตได้ทํายังไงรู้คร่าวๆว่าจะเอาไส้เอาเอาสมอง อ, อะไรออกไปน้ำยากูอับสดเนี่ยมันทําด้วยสุตรอะไยังไม่มีใครรู้จนปัจจุบันยังไม่มีใครรู้ถึงแม้ว่าจะมีการมีเคราะห์ทางดินเอาอะไรมาตัดชิดช้นเนี่นอะไรบางที่สุดยังไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คื อ, อว่าในปัจจุบันเนี่ย เรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูีเนี่ยถ้าเอาสายการพิสูจน์ทางภาษาเนี่ยเรามีคำพูดนะคำพูดอันหนึ่งที่บางทีผมไม่ได้พูดถึงภาษาทางวิชาการเราเรียกว่า oral tradition oral tradition หมายความว่าการเล่าปากต่อปากมาเรื่อยๆนะคือประเทศไทยเราก็มี oral tradition เยอะเช่นการเล่าเรื่องก่อนที่จะเขียนนะหรือเราเรียกว่าปู่ปัญญาชาวบ้านปู่ปัญญาชาวบ้านเนี่ยนี่คนไทยเนี่ย เป็นประเภทชอบพูดไม่ชอบเขียนคนไทยมีปัญหาจะไม่ประสบความสาเร็จในสายวิชาการเพราะว่าเขียนไม่เป็นพูดเป็นถ้าพูดแล้วเป็นที่ยอมรับในวิชาการก็จะได้รางวเยอะแยะเพราะคนไทยพูดได้แต่ว่าเขียนไม่ได้นะอันนี้สมัยโบราณการเขียนก็ยากนะเพราะว่าบึกเอยมันยุ่งยากกระดารก็ไม่มีนั่นต้องไปเอา ต้นพ่อพายรัสมามาทำาว่าจะได้กระดาษไม่ได้ไปซื้อก็ได้เลย ไ, ไอ้นังสื่อเนี่ยมีค่าสูงคนที่มีนังสือจะได้เงินคนรูยมาก น, น, น, น, นะแต่ว่ามันจะมีอันนึงคือ oral t r a i t i o n คือพูดปากต่อปากแล้วค่อยมาบันทึกทีหลัง น, นะครับแล้วก็ที่เป็นเขียนนี่ก็มีแน่นอนนะครับแล้วก็วัตถุประย า, ราก็ยังมีนะครับอนี้กลับมาอีกนิดนึงในเมื่อเราบอกว่ามีวัตถุปัญยาก็ต้องถามาทำไมก็าีนะเชื่อสื่อ เพราะว่าบรรลึเรื่องราวลงในเวลาที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์เดี๋ยวจะมีมีกราฟให้ดูนะฮะก็คือว่าสูงว่าถ้าพวกเราเนี่ยมองห้องนี้ไปบางคนเนจดแต่มองห้องนี้ไปแล้วก็รีบจดสิ่งที่จำได้ว่าผมพูดอะไรนะก็ไอเขาเรียกความจำเนี่ยมันจะยาสามารถเก็บรักษาไว้ได้มากกว่าแต่ถ้าปีน่ะา บอกว่าวันเนี้ยวันที่ยี่ต <c oughs> ุลาคมคอ4 อ, 2004, อผมพูดอะไรเนี่ยอาจจะจำไม่ได้เลยนะศูยนยละซีโร่เลยแค่ปีเดียวเองจะจำอะไรไม่ได้เลยนะแต่ข้อปีเนี่ยมีหลักฐานบอกนักโบราณดีได้พบกำนำโบราณขที่อายอยู่ในปีคอสองหนึ่ 30, อสอง 130. สามศูนแสดงว่าขีต้องดูเขียนก่อนคอสอสศูนย์แน่นอน อันนี้คือสำเนาโพราไม่ใช่เป็นฉนะบับแรกนะเพราะฉบับแรกมันเปื่อยแล้วก็เสียไปแล้วแต่อย่างน้อยเก่าที่สุดที่หาได้คือพศ130แสดงว่าต้องตูกเขียนขึ้นก่อน130ประการตลอมานักเสนาะการท่านหนึง่งชื่อว่าดรจอร์นเยทีโรบินสันเชื่อว่าขร้นพีใหม่นั้นถูกเขียนเสร็จก่อนที่คุงเอรนจะแตงในปีพศ70ทำไมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าคั้นพีที่เรามีอยู่เนี่ยไม่มีเล่มไหนที่ มันข <parfois> for ึ้ถ <humility> ึงเหตุการณ์หลังขอสอบ70ปัจจุบันคือว่าวปีใหม่ที่เรามีอยู่ที่เราอานแต่ละเล่นเนี่ยคือรารู้ทางบริรัเนี่ยยืนยันหนึ่ร้อยล้านหนึ่งอะไรเปอร์เซ็นต์เนี่ยว่ากลุ่มเงินสดแตกเมื่อขอสอบ70ก็เป็นเหตุการณ์ใหญ่เป็นเหตุการณ์ที่สําคัญสําหรับคนอยู่มากแต่ว่าต้องปีใหม่ไม่ได้เล่าเหตุการณ์ ตอนะันมีแต่เพียร์ชูผู้ว่าศิลาที่เรียนซ้อนอยู่เนี่ยจะจะจะจะผ่านแต่ผมไม่ได้ตอบมขาเมื่อไหร่แล้วก็มเมื่อเหตุการณ์แบบไหนมัน น, า น, น่าจะบันทกอย่างนึงเข้าใจไหคือเหตุการณ์ที่สำคัญขนาดเนี้ยในบันทึกถ้าปีเราอยู่ในโลกเนี้ยแล้วพวกเราเกิดมาหลายหลายปีแล้วถ้าผมถามที่สุดว่าคุณเป็นคนไทยป่ะผมถามว่า คุณรู้ไหมว่าประเทศไทยเคยเกิดซึ่อะรนี้แล้คุณตอบว่าไม่เคยผมก็สงสัยว่าคุณเป็นคนไทยครับเปล่าหรือนคุณอยู่เมไทยครับหรือเป็นคนไทยที่เพิ่งกลับมามีใครในห้องนี้ที่ไม่รู้ว่ามีซึ่งอะไรนี้ไหพอพอก็่าวใจในใจผมเนี่ยจะโยงไปถึงไหมก็คือว่าในพระคัมภีร์ที่เราืออยู่ในมือไม่เป็นไปกี่ภาะการเนี่ยไม่ได้พูดไม่ได้บันทึกเรื่องของ การที่กรุงเยเสทถูกทาลายในคศ .70 ความหมายทางอ้อมก็คือว่าข้ามพีคงเขียนเสร็จก่อนอศ .70 โลจิบันนี้พอพอเข้าใจคือถ้าถ้าเขียนหลังนี้น่าจบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคศถ้าเป็นเหตุการณ์สำคัญนะครับแล้วจำเนืนสําันบาโบราณขัมพีมีมากมายที่รู้ถึง อ่าข้อมใหม่ก่อนนะผมเข็นเขียไม่ลเียดเาไรเจํานิานสํานาโบราณของขมูลอ่ามีมากมายปัจจุบันนี้มีสํานาโบราณของข้ปมใหม่อยู่มากกว่าห้0พฉบับและอาจจะถึง2 0 0 0มนฉบับเพราะมีการคนพบอยู่ดีด้วยตัวเลขนี่มันสวิงนิดหน่อยที่ผมไปดูสื่อหลายเล่มบางเล่มก็พูดถึง5้าพกาเล่นหมอกถึง 20,000 แต่ถามว่าตัวเลขมัน ต, ตนต่างในพราะปลที่เขาถิ่น ไม่ไม่พร้อกันเช่นบางทีคำถามเพราะว่าตอนเนี้ยมีข้อมูลแฝ่เซ็นต์ตีเล่มแล้วถ้าผมพูดตัวเลขปีแล้วก็ปีนี้ก็ไม่เหมือนกันขอขอเข้าใจนะคือคือทำไมตัวเลขมาถึงถึงถึงแตกต่างกันอัปเดตอยู่ที่อัปเดตเวลาไหนเช่นถามว่าประชากรไทยปีเท่าไหร่ถ้าหรือถามว่าคน แนกรุงเทพมีเท uh, ่าไหร่เนี่ยตัวเลขนต้เปี่ยนมันมันไม่ิดถ้าใครไปยึดติดเรื่องตัวเลขเรื่องข้อกล่าว้างาก็จะเข้าใจผิดว่าคนนี้พูดจริงพูดโกงทำไมสองคนพูดไม่เหมือนกันเพราะมันพูดสถียร์ตละเวลานะครับหรือคนเดียวกันพูดไม่เหมือนกันเพราะพูดคนวละเวลานะครับแล้าพันละ้ตัวเลขมนเนี่ยสัมพันธ์ไงอยากให้ดูการนะกสองอันเนี่ยได้ที่สุดอย่างนี้ฝั่งซ้ายือฝั่งาฝั่งนี้นะ แสงหมือเนี่ยเห็นส <Lake> ีนึกเห็นไหมแล้วข้างล่างเขียว่า New Testament ก็คือจำนวนสำเนาเนีนยที่ฟังดี่นะจำนวนสำเนาไม่มีเครื่องหายเอกสารนะคุณคิดดูนะคนข้ามอ้อด้วยมือขคามล้อด้วยมือทำไมถึงขยันข้ามล้อกันถ้าวังเอกสารเมื่อเช้านี้ก็จะพบว่าคนเนี่ยเห็นความสาคัญของข้อบี ไ ม, ไม่ใช่ไใช่ ไ, ไขายเสาร น, นะนั้นฟังนี้คัดลอกด้วยมือคำต่ อ, ต อ, ตอคำ น, นะพวกเราเคยเกลียดใจไหมถูกความครับให้คาดารณเนื้อหน้าดืา้อนะแต่เนี่ยมันมีต้งองเนื้อหาเยอะนะอย่างน้อยนะนี่อยนะ่างน้อยบงทีบอกอย่างมากถึงสองมื่อย่างน้อยเนี่ยห้าพันถึงร้อยแล้วเป็นหนังสือที่คนพบทั้งทั้งบริเวณกลางในในยุ โ, โปรปในอเมริกาเนี่ยก็จะมี ป้นฉบับก็มีใหม่คือภาษากรีกเนี่ยเก็บไว้นะเออนี่เป็นหนึ่ในในจำนวนเยอะแยะที่อยู่กันที่ต่างๆแต่ก็เปรียบเทียบกับหนังสือเล่มหนึ่งที่ว่าโฮเมอร์หนังสือของโฮเมอร์เนี่ยมี604สาม6 4สามนี่ถือว่าเดียวนะแต่ถ้าดูต่างกาันเป็นสีเขียวเ น, นี่ย5 0 6กับ604สามเทียบไปได้ไหมเทียบไปไม่ตด่แล้วก็หนังสือที่มีชื่อเสียงที่เป็นของกรีกคือพาเโจ มีสี่สก้าเขาเล่นอริสโตเติลโอ้มีชื่อเสียงในวิชาวิทยาศาสตร์มีแค่เจ็ดเพลงอันนี้คิดตรงนี้นิดหนึ่งนะก็คือว่าทำไมมันถึงมีคอปปี้เยอะเนี้ยก็ต้องสำคัญแล้วแพร่หลายแล้วก็คนต้องเห็นความสำคัญหนึ่งต้องแพงนะี่ยจางจางวิดีเนะี่ย คำนังสือในอดีตเนี่ยแพก่าสมนี้ทสมัยนี้บอกว่าแพงสมัยก่อนเนี่ยลงตุนสูงกว่าแล้วอาจจะไม่ใชดเป็นเงินนะแต่ว่าต้องใช้ลงุนทั้งเวลาทั้งทั้งพงงานที่ไม่ใช่แบบแบบปื้ดๆๆ้ดนะแต่ว่าต้องเขียนบรรทัดต่อบรรทัดเนี่ยกว่าจะเสร็จเล่นใชลแต่ว่ามีคนเนี่ยลงตุนเวลาต้องอย่างน้อยห้าถึแต่ม่มากกว่าแน่นอนี้ผมยืนยันนะว่ามากกว่าแน่นอนแต่นี่มันตัวเลขั้นต่ำ จานวนพิมพ์เนี่ยหรือจานวนเขียนหรือาที่จำนวนพิมพ์ไม่ใช่จำนวนเขียนก็มเนี่ยที่มีเยอะเนี่ยแสดงว่าน่าเชื่อถือพอๆที่บอกไหมยิ่งมันมีเยอะทัหลายก็ยิ่งน่าเชื่อถือเพราะว่าอะไรมันเอามาเทียบกันอันนี้พวกเราอ่ะทำไมเข้าใจตรงนี้ก็จะหมดทำไมฉบับรู้นไม่เหมือนฉบับนี้ทาไมแปลไมเหมือนกัแปลคุณิดดูเดมีร่อง ห้าพันหกพัหรือสองหมื่นเนี่ยมันจะเหมือนกันทุกนันก็ะดเครื่องฐานกระดาษนั้นบางพีอก็เน้ำผสมกระโปรอ่ะมือาสมกระโปกอ่ะให้ทำให้ต้นฉบับมันเพี้ยนนะแล้วด้วยมือนะฮะด้วยมือมือสวัดเร็วนิดนึงจิ้มใหญ่ี้หน่อยความันก็เบียนไปแล้วนะฮะตัวอักษรที่อย่างเช่นขอไข่เกิดเพลินะวัดนิดเดียวกันชอช้างนะว่า พอพอนาเนี่ยความแตกต่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไม่ต้องตกใจแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกอโหเมันไม่น่าเชื่อยิ่งมันแตกต่างเล็กๆน้อยๆแล้วอธิบายแ้มันแตกต่างเท่าไหยิ่งสบายมากเอ๊ะผมยืนยันหนึ่งล้านก็เส็้วผีนี่น่าเชื่อถือที่สดต่อมานะครับก็คือจานวนเวลาที่เรื่อนันทึกเนี่ยเมื่อกี้เราประมาณเจิบอันนี้คนทาการนิพ่าภายในห้ิปีเนี่ย มันมีเหตุการ์เกิดขึ้นแล้วภายในอย่างอย่างอย่างอย่างน้อยเนี่ย50ปีเข้ามาดึล้วซึ่งเปรียบเทียบกับโเมอร์เนี่ยเขาบอกถูกบันทึกหลังเหตุการณ์ต้องข้าม1ี100ปีผ่านไปมันจะเชื่อถือได้ไงจับของเราก็ที่บอกปีนึงจําไม่ได้เลยนี่ต้อง500ปีมันบันทึกมันจะน้าเชื่อถือได้ไงนะฮแล้วแพโตล่ะพัน300ปีมันบันทึกเรื่องที่พัน3พูด แล้วก็อเลสเอรตที่รายกยองเป็นนักิยาศาสตร์ตัวยงเนี่ยต้องพันสิบล้าีมาทำเหมือนขึ้นอ่ะและถ้าเราเปรียบเทียบสองเรื่องนี้มันมีหน้าเชื่อตือไหมมั <S <S นคนละเรื่อง เ, เลยนะหละักฐานที่เรามีที่เมื่อกี้พูดถึงวัตถุพยานเนี่ยถามว่าอ๊กอปี้่หรือว่าสำนัโบราณที่ดูเหมือนว่ามันไม่ตรงกันหรือว่ามีความแตกต่างเนี่ยมันมีวัตถุพยาน้อง5 000, อ้้อยถึงสองืเนี่ย น, นเราสามารถมั่นใจว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ในะ่ของมั่วๆนะของที่ถูกเก็บไว้แล้วก็การเก็บรักษาอยู่ในที่ที่แพงมากนะต้องเกิดแต่ด้วยนะของที่เก็บไว้เนี่ยคนที่เก็บอยู่แก่ก็ไม่มีมูลค่ามที่น่าเชื่อถือมากเพราเก็บรักษาไว้เพียงแต่เราซื้อความีเล่นมันไม่กี่ตางเราก็ยังโดน เ, เนี่ยเข า, าเก็บของเกา่าใชน้ำมูกกมานิดนึงใ อีน yeah. ี uh ้เม mhm. ืกี้พูด <inaudible> ถึงข้อพใหม่ตอนีูดถึงว้อพีเดิมบ้างนะฮะก็ทาไมข่อมีเดิมจริงน่าเชื่อถือนะก็บอกว่าคาทำนายผ้ยในขาพเดิมเนี่ยที่เึเดือนที่ได้เกิดขึ้นจริงในก็อีใหม่เช่นในมัทิบทที่2อขซึ่งเกี่ยวกทกาลคริสต์มาสนะก็หลายอย่างนะแล้วข้มพใหม่มาบอกว่าตามที่มีเขียนไว้หรือตามที่มีบันทึกไว้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเดืีเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ ได้เกิดขึ้นตามที่บอกรุ่งหน้าแล้วแล้วสิ่งหน้าสนใจคือพระเจ้าบอกรุ่งนั้นนานนานถึงเนน่าพวงมืออะไรที่เจ้าสัญญาพงก็ต่างๆแล้วก็ขอมีเดิมได้เรียนก่อนข้อมูลเซลล์จะตกเป็เฉลยก็เกิดขึ้นจริงอันนี้มันก่อนเข้อมีใหม่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วเช่นปรับโยนเน้นจากภูเขาไปก็ได้เกิดขึ้นจริงนะแล้วก็ได้เยากรว่าส่วนชั้นเซลล์จะได้กลับมาจากการเฉลยได้เกิดขึ้นจริงตอนนี้อีกอันหนึงที่น่าสนใจมากนะฮะ สำหรบาที่อยู่ย้ไม่มีชาติไหนในโลกที่ถูกกระจายไปต่างประเทศเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันปี น, ปนจะจอยังเป็นประเทศอยูนะ่ประเทศดิเซลในปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องยืนยันว่าคําสัญญาในสมัยฟ้องีเนี่ยเป็นจริงก็คือว่าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสมัยฟ้องีใหม่ไม่ทั้งปีปัจจุบันของเราเนี่ยที่พยายกรณ์ไว้ก็ยังเกิดขึ้นนะฮะ ประเทศติเชในข้อส1940หลังจากถูกคิลเดอร์่าล้านอหมืไปต้อง6ล้านคนเนี่ยยังเหลือเป็นชนชาติกำลังตั้งชาติได้ถูกครอบงำด้วยอาหรับนะเป็นประเทศเล็กๆได้โหดเท่ไทยมากก็ยังเป็นประเทศได้นะต้นมะกอกนะแท้รเงยกลับคืนซึ่งเป็นสิ่งที่อ่าพู้ไว้ในต้องวีเดิมนะก็ได้เกิดขึ้นในสมัยของเราไม่ใช่เฉพาะ ในความผีใหม่สมัยเรายังมีเรื่องที่ความผีพูดถึงไม่มีประชากรใดในโลกที่สามารถกลับมาเป็นประเทศได้ถึงแม้จะมีบางคนที่คนยิวว่าพวกนี้ไปแย่งที่ดินในเราเนี่ยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเรือดเชื่อจริงก็คือว่าคนยิวเนี่ยไม่อยู่ยินยิวเดียวแต่สามารถเผ่าพนกับคนอลาฟเยอะแยะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามีเนี่ยมันสอดคล้องกับควมผี แต่ผมเนี่ยเป็นลูกลูกคนจีคุณพอ่อคุณแม่มาจากเมือจีนให้ผมพูดภาษาจีนตอนนี้ผมพูดได้บ้างไม่ได้บ้าแค่หางภาษาจีนแค่แค่จีนเลยใ่ไเดียวหายนะคุณเข้าใจไหมแค่หนึ่งชั่วอายุคนเนี่ยความเป็นจีนเนี่ยสูญพนะันไปแล้วแล้วก็คนไทยนะไมค่คนจีนแย่เดียวกคนไทยนะเประเทศไทยเนี่ยเรามีคนไทยอยู่อเมริกาเยอะมีชื่จากไทยเอาาีิที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็มีการทำ ส, สการตอนผมเป็น อันนี้ส <c ười> ่วนเป็นเรียนโผก็แขงมากเดี๋ยวนี้บปอีกเงียบเามากเพราะอะไรเพรลูกหลานเกิดที่อเมริกาพูดไทยไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องย้ายบทเป็นภาษาพระเจ้าเป็นภษาอังกฤษแล้วบททาอังกฤษก็ไม่ยอมเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็รักษาภาษาไทยไว้ปีไม่นานบทนั้นก็อาจจะไม่สามารถเป็นบทต่อไปถ้าไม่ไม่ปรับตัวที่เหว่าหนึ่งเจนเนอเรชั่นะผมหนึ่งเจน e นอเรชัที่จะไทยงเจน e นอเรชัก็ ความเป็นไทยก็โดนนะแต่ยูเนี่ยโอ้โหพันเกือบสองพัตั้งแต่คศเจ็ดสิบถึงคศหนึ่งเก้าสิบนามากแต่ความเป็นยูไม่หายไปนะถ้าไม่เป็นคนที่พระเจ้าเลือกมันคงศูญพันใน์หมดแแต่คนยูเสดวีน้อยก็ไม่สูญละเพราะอะไรเพราะว่าเขาเขาเป็นคนที่พระเจ้าเลือกไว้แล้พระเจ้าก็ต่างต่างสัญญาให้ไว้กับอารับษ์มิชาอาโยมเนี่ย ก็ยังยังเป็นไงไม่ใช่เป็นในสมัยข้าหมา่เป็นมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยแต่คุณไม่เชื่อหรืเปล่า จ, จะว่าไนผมไม่รู้ <c oughs> แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือข้าวพีเดิมที่ถูกคัดลอกต่อต่อกันมายาวนาะนเมื่อมาเทียบกับสบับที่พบในถ้าคุมลานีข้อความตรงกันอันนี้ถ้าคนะุมลาณ์นะถ้าวันนี้อยู่ถ้าใครไปอิสราเอล ก, ก็จะเห็นถ้ำคุลาอันนี้คุมลาที่เห็นเป็น ช่องี้เายกวท่านที่4มีชื่อเสียงมากมีของเยอะท่านุูมลาเนี่ยเป็นไงก็คือก่อนที่ประเทศอิเซิร์จะกลับมาเป็นประเทศเนี่ยท่านภุมลาเนี่ยเป็นพวก s อเนียอาศัยอยู่ก่อนที่พงเดียร็เซะแตเตและพวกเขานี่ก็ใช้ชีวิตแบบกระลสีเลยแล้วก็ถังร้องพรมีเก็บไว้ในในเหยือกเนี่ยที่เห็นที่เป็นเป็นเหือกก็มีฝาปิดเพื่อเพื่อเก็บรักษาพรมีก็เก็บไว้เป็น พัปีนะมาพบในปี1947เก้า <pi> <pi> ่จอนเประเทศหลาโนี <Overwatch> ่ให้เป็นเรื่องเกคือว่าขอที่พระเจ้าจะให้ประเเดีวกับประเทศนเ้จะเปิดทรัพย์ที่สำคัญเกิดไว้นั้นของพระเจ้านะฮะแล้วก็บริเวณทะเลตายเนี่ยก็เป็นที่แห้งมากทาไมข้าพีด้วยเก็บไว้สองันปีเปอยมันเปิดบ้างแต่มันยังเหลือเยอะ ก็คือว่าเอาสิ่งที่อยู่ในถ้ำคุณลานที่เป็นเก่าแน่ๆประมาทสองสามปีแล้วกับที่เขาข้ารอบต่อมาดือ่เดเนี่ยเอามาเทียบเนื้อความส่วนใหญ่เหมนกันก็แสงว่าคนอยู่เรียวละข้ารอบในซื้อสันงมาของเราบางทีขี้เกียจหัวร่องข้าวเมื่อวน แต่คนย <master> ูอ่ะไม่ตัดนะแต่ก็มีคนสอบถามก็ตอบแบบฮะก็มามาดูก็มีทฤษฎีว่าอ่าไหนที่ยาวก็ไม่น่าเชื่อถืออันที่สั้นน่าเชื่อถือมากกว่านะจริงเขาไม่ได้ตอบแต่เขาบางทีเขียนโน้ตบางคนนะชอบเขียนโน้ตในผ้าผีนะบางคนก็รักษาก็มีสถาดเกินนะแต่บอกว่ดีบอกว่าใครที่มีผ้ผีที่สกปรกใจสะอาใครมีผ้ผีที่สะอาดสกปรก ก็คือว่าถ้าเขียนโน้นแ้บางคนเาไม่มีสติหน้าเขียนอะไรลงไปแต่ก็มีคนเมอไหร่กยเขียนนะเขาก็เขียนแล้วมันก็เลยยาวนะแต่วันมีวิธีป้องกันนะคนยนก็มีวิธีป้องกันนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างพระธรรมปิเสยาในภาคมกราเนี่ยเป็นหนังสือม้วนที่ครบที่สุดคือพระอรนมิเยารียกว่าปิเสยาเอกนะฮะแล้วก็ปัจจุบันถูกเก็บไว้ในพิพิธานของภุงเอรมน เขาต้องใช้ห huh. uh, kh uh ้องแอร์อ huh. ย่างดีแล uh ้วเราก็ใช้แสงอ่อนเพราะถ้ามีแสงมากดวงมันก็จะจางให้เขาต้องเช้แสงไฟที่น้อยมากแล้วเก็บในสูญญากาศคือมีกระจกแล้วอ่ห้องแอร์นะก็ยังเก็บรักษาอยู่นะแล้วก็มันทําอบหนังสั้ว์นะหนังสือพจน์ที่พบในเดฉะลายทำแบบหนังสัตว์แล้วก็ใช้บุญเขียนแล้วก็เก็บไว้ในเหยือมาถึงเปก็บต่อทอดมาถึงสองพันปีได้นะ จริงๆแล้วออนอกจากจาการปฏิวัติหนันงสัตว์เนี่ยคนในสมัยโบราณไม่้คนอยู่อย่างเดียวพวกอัสกีเดียนเนี่ยเขาเแกะหมือกับศิราจารึกของพ่อโบราณเนี่ยอันนี้ก็คือมีสิราจารึกที่ขเขาพบเขาเก็บไว้ในพิพิา น, านของยุโรปเนี่ยก็คือศิรจารึกทรงอุเเนี่ยจารึกในสมัยเซนานร์แกริบนะจากท่านแห่งอัสกีเดียนยกของธรรมโจมดีที่กุ ง, งเอเจ กด้เป็ยาินเกษตรเฮเซคยาแห่งยูดาซึ่งเป็นกษตรที่ถูกอสิเดียร้อมกรุเยอเซนเนี่ยในกงเทพก็ข้อความได้บะนทึกไว้บอกว่าเซนาแคริบเนี่ยทำให้กษตรเอเซคยาเหมือนกับมกที่ต็มอยู่ในหังแล้วเราก็อ่านเรื่องราวของกษตรเฮเซคยากับเซนาคริบเนี่ยในบทที่ามันทีสิ่งที่มันมาสอน้องก็คือว่าอันหนึ่งบันทึกันภาคดี อันนึ่งบันทึกของคนต่างชาตสองเรื่องผสมกันอันนี้เป็นหลากฐานประวติาสและหลานโบราณคดีก็คือว่าเรื่องในข้อผีไม่ได้แม่นัำก็คือชื่อก็ตองกันเหตุการณ์ก็ตองกันก็คือเหตุการณ์ของข้อผีบันทึกไว้อย่างไรเหตุการณ์ของจริงที่เป็นประัตาสก็ถูกบันทึกไว้เหมือนกันนะก็คือถ้าเราไปที่มิทิลล์เชียงโขงจะมีของอัสสเรียนเพียบเหนเยอะเหมือนมีรมีีการ เขียนว่าเป็นเหตุการณ์ตอนไหนเื่อเกี่ยวเกี่ยวข้องของคนอยู่ยงไงเนี่ยเพจะถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานสิ่งที่ันทึกไว้ในภายมตไม่ได้ผัวโลกขึ้นมาหรือว่าเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในโรครซาก็มีรายละเอีดอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ว่าเหตุการณ์หลักๆเนี่ยมันมันเรื่องแบมันมันชนกันนะครับแล้วก็ในทางนั้นเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงแอฟริกแต่ใน่นอนคือแผ่นดินแห่งทางยานยก็มีคน อ, อยู่อ่อนนะ พวกนี้เรีกวาชาวพันนันเนี่ยก็จะใช้วิธีบันทึนแทนทียจบทึบนแนนั้นก็บทึบนดินเดืยวจะกดลงไปแล้วก็ให้ดินอาจจะแห้งนะตัวสื่อมันจะเป็นไม่ใช่แบบดีแต่ว่ามันจะเป็นสัญลักษณ์เป็นเป็นสามเดียนสามเดือนแล้วมาเรียกันนนี้เราก็คู่ดีฟอ์นะเป็นหลักการที่นยพบในดินแดนพานนั้นนะครับ ซึ่งในนั้นก็จะมีบันทึกโยบิอันเช่นเกี่ยวข้องกับมองเยรโคหรือชื่อเมืองบางเมืองที่ฟามีอย่างเช่นทหารกาทำาดืทดว่าหมูชื่อมองเพียบเลยว่าตีมงนู้นเี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็จะปาอยู่ในดินเหียวที่พบพบในภายหลังแล้วก็เนื่องเป็นดินเหนียวหรือกายเะเมือนะมันก็อยู่ได้แต่อันนี้สู้หนักไม่ได้เพราะว่ามันเนพื้นที่ เริมันหนักแล้วก็ถ้าถามว่าทำไมคนโป๊ะนอยเพราะว่ามันทายากกว่าแล้วก็มันแตกไปมันอะไรอย่างเงี้ยแต่หนังเนี่ยมันมันมันเก็บได้ดีกว่านะก็มีวิชาการในการบันทึกต่อมาครับมีคนอ่านนะเามีคนอ่านถามว่าอ่านได้ไงโอเคดีไปหลักการก็คือว่าหรือคนที่เป็นพิชชอีเนี่ยเขาเรียนภาษาต่างประเทศอย่างไงจนงสามารถ ปัจุันมีคนเรียนภาษาตปถึงแปลก็มีได้หลาภาษาเพราะว่ามีนักภาษาศาสตร์นะยกตัวอย่างถ้าผมเป็นฝรั่งแต่ผพูดไทย่ผมมาถึงผมก็จะชี้ที่โต๊ะเนี่ยผมจะชี้คุณก็ตองด่าว่าชี้ทำไมชี้ไปชี้มาคุณก็บอกว่าโต๊ะแล้วก็ไปถามคน่ชี้ถ้าคนนั้นพูดว่าโต๊ะก็พูดไปหลายๆครั้งเนี่ยเขาก็แน่ใจว่าอ๋อประเทศไทยเรื่อีว่าโต๊ะนี่คือเทคนิคของเขา นะตัวนี้เขาไม่ต้อรู้ภาษาหน่อยแต่ว่าเขามีมีวิธีการที่จะได้ภาษาเรียนภาษาจากคนท้องถิดนะเขาต้องมีวิธีของเขานะครับอตอบนี้เราพูดถึงคัดนลอกนิดหนึ่งนะครับก็คือควรอยู่ตาหน้าที่ขัน้นลอกขัมนีเดิมนั้นจะให้ความสําพันกับจํานวนคาในแต่ลนะนั้นกนะ็คือพอลอกครั้งนึงเขาจะมานับว่ามีคำนะแล้วก็แน่นอนงรอเราแตบคนเรียนลายมือไม่ดี คนเขียนตัวอ้วนบางคนเขียนตัวปอกอีนี้คำหบบนึ่งว่าบรรทัดหนึ่งองมีคําเท่าเนี้ออนเอาเส้นเขียนตัวปอกมันก็มีที่เหลือแล้วทาไ ง, งเขียนบรรทัดใหม่ไหมเขาไม่ให้เขียเขาต้องให้บบทุกบรรทัดเนี่ยมีคําเท่ากันเพื่อจะป้องกันขออ้อผิดพลาดนะแล้วก็ทำไงอ่ะถ้าคุณสังเกตน ะ, นะเห็นบางบางตัวออ น, นมันใจ คือคือเขาไม่มีมุนดูพิยสารของคนเขียนนะเขามีพวกเราพิมพ์ดีมามามีชิดซ้ายชิดขวาหรือถูกการแล้วก็มีจัดสีฝ่ายภาษาไทยเอาไว้จาสีฝายให้เหมืนชิดทั้งสองน่ชิดหน้าชิดหลังไอ้นี่ของคนเขียนเนี่ยเขาไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์แต่เขาฟ้องการให้ใครมาเติมมาก็แม่ก็จะเขียนอักษรมาตัวใหญพิเศษเพื่อใหมันเต็มเห็นไหมเห็นผมไหม เนี่ย yeah. พวกเนี้ยใหญ่มากเนี yeah. ่ยใหญ่แบบน่าเกิีน่ยแต่ที่เขาทำใหญ่เนี่ยเมื่อเราเขียนสิ่งเร า, ển, า, ราขีข yeah. yeah. ีไม่ให้ใครมาติสูงข้างหลังเนี่ยทำทไมให้เราแน่ใจว่าเนี่ยพวกนี้ตัวใหญ่ใหญ่พิเศษนี่คือวิธีการเทคนิคที่ไม่ให้ใครมาเติมสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าไปในในคัาวพีแม้ว่าพีน่าเชื่อถือเพราะว่า ค น, c, นยิงเปนคนคัดลอกแล้วเขามีสิทธิ์ใหญ่ที่จ้าคือถึงแม้เขาจะมีคอมพิวเตอร์เขาใช้เทคโนิคนี้แหละคือเขียนมันใหญ่พิเศษในใ น, ในตอนจะจบอะ่ะเพราะเขารู้ตัวเขาเขียนพอไปนิดนึงเขาไม่ไปโลบทิ้งเขาก็เขียนเองข้างหลังให้มันใหญ่มากๆเพื่อจะให้จบที่พิเศษได้ก็ทําให้เรามั่นใจ1นึ่งร้อยเปอว่าผีที่ถึงแม้คาดลอกด้วยมือนะแต่มาถึงเราได้อย่างน่าเชื่อถือ ครับผมก็น่าจะจบเท่านี้นะพอดีบดเวลาแต่จะถามก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวรายการเริ่ต่ออีกสองคึ่งแต่ว่าถ้าใครจะต้องไปประ็ุบแต่ว่าเนี่ยเนื้อหาสาระความรูมีมากกว่านี้แต่ว่าผมก็สรุปหลังๆมาที่เป็นแก่ๆให้กับพวกเราไม่ทราบมีคําถามหรืออะไรนะครับเพราะว่านี่เป็นชาลีนในประเทศหรือบางคนอยากรู้มากกว่านี้นะก็ ที่ว่าหนาผมจะบอกแต่ผมไม่ดบกาเชิญเนะไม่ต้องเก่งใจริงอย่างภาาอย่างนี้คภาษานี่ภาษาพีกูภาษาีกูเขียนอย่างแบบนี้ไม่ไอธิบายเขียนอย่างขวาซ้ายอันนี้เือส่วนสุดท้ายตรงนี้ตรงนี้ตัวเล็กกพอเขียนเขียนมา มันจะจบนต้องใหญ่แต่ถ้าเนื้อเยอะมาตรงนี้ก็มันก็พอดีอันนี้อันนี้อันนี้เท่ากันหมดอันนี้อันนี้เท่ากันหมดก็ม่ต้องขยายใหญ่อันนี้ขยายใหญ่มากอันนี้ขยยใหญ่เพราะว่าลายเนนไม่ได้ฟอนที่เท่ากันเขดีิดเขียนนะก็คือตรงนี้ไม่มีปัญหาตรงนี้ไม่มีใหญ่ในฟังนี้แต่นี่คือช่วงท้ายนะแล้วต่ตรงนี้คิดได้มีคิดเร็วรือต้องทำตรงนี้ใหญ่มาก <c oughs> แต่ท่าเนี่ยเป็นคำสุดท้าย ก็อ uh ่าจสักแถวอ่ะอ่านสักแถวนึ่งเดี๋ยวอื้อฮัโหลตัวเล็กค่ไหนอ่ะถ้ากอันนี้ก็กีโดแปลว่าใหญ่เอ่อคืออันนี้ที่อ่านยากเพราะอะไรเะเพราะอันเนี้ยเป็นภาษาที่ปู่ที่ไม่ใส่วันจะยุคให้ด้วยอ่อมีแดดเย็นนะภาษาไทยเราเนี่ย ไม่ใส่สละกวันนี้ก็อ่านได้ใช่ไหมไไม่ไม่เขียนแบบเป็นธรรมดาเลยแล้วก็เอาเอาพวกสละเอาวันนี้ออกเออเราก็อ่านได้เพราะอะไรระ้ไเพราะว่าสมองของเราเนี่ยเอ่อจะสามารถเติมในส่วนที่มันขาดหาไปนะคือทำไมคนไทยถึงเรียนภาษาอังกฤษตั้งสิบสองปีแล้วพูดไม่ได้ พราะเราเลียนเรียนผิดผิดเรียนผิดยังไงเราไปสะกดสะกดทุกตัวนะฮนะแต่จริงๆแล้วการอ่านภาษาเราอ่านโดยที่ไม่ต้องสะกดเนี่ยเราอ่านได้เร็วกว่าเพราะเราเรียนรู้ได้เร็วแต่เราไปสะกดทุกตัวแล้วก็บางคนชอบไปจับผิดเล้เชื่อไหมว่าเอถ้าเราเป็นนักพิสูจน์คำสอนเนี่ยบางทีเราไม่ต้องมีต้นบบเราก็รู้ว่าเขาสะกดผิดเพราะเรา เราอ yes, oh. ่านหนังส okay. ือเยอะเราจะรู okay. uh, ้ว่าคำนี้คนจะส่ยังไงเราพิสูจน์อักษรเราไม่จำเป็นต้องมีต้องเทียบเท่าเป็นคนไทยแล้ก็อ่านภาษาไทยเราจะรู้ว่าคนนี้เขียนดีเพราะเราเรียกอะไรทำนาฉีดแล้วถ้าเราฉีนเราก็ต้องใส่วันยุบเราก็อ่านได้อันนี้เป็นในบางสิ่งบาอย่างที่ในภาษาอีบุก็ไม่ต้องมีวันยุบเขาก็อ่านได้ แต่ผมอ่านแล้วบอกเ็นคนสามชาติเรารู้ไม่อเรารู้ไม่พอเราไม่ฉินเราไม่ฉิเราต้องอาศัยวันยุ่มาช่วยแต่งเหเสียงกันช่ครัอย่างบางคำที่เราแปลแปลมาภาษาบูนก้เคียกันแล้วใช่อ่าแน่นอนแต่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่ามันไม่มีคำต่อคำนะยกตัวอย่างเช่นภาษาทีบูเนี่ยภาษาไทยเราประธานกริยากรรมเป็นประโยคครแต่ภาษาฮีบูกริยาประธานะค่อยกลับ กริยามาบอกกริยาสํำคัญกว่าถ้าเป็นภาษาอังกเนี่ยอะไรมาก่อนก็ได้เก็มีอนิโทเป็นตัวบอกว่าคำนี้เป็นกรรมนะคํานี้เป็นประธานนะหรือภาษาญีบูกับภาษาอังกเนี่ยมันเราเรียกว่าผันนะคำกริยาผันได้ภาษาไทยผันไม่ได้ภาษาที่บูภาษาอรีกเนี่ยคำกริยาตัวเดียวบอกเราแ้่ประธานกริยาและกรรมทีเดียวเลยคําเดียวที่บอก สามอ่างครนะซึ่งข้อมีภาษาไ่หนาห่วยภาษาอื่นต่างเพราะว่าภาษาไทยยันเลอต้องมีสลับมีมันมีอะไรตเยอะแยะแล้วประโยชนึมก็ต้องฟิวเจอร์เราก็ต้องไปใส่อะไรให้มันว่าเป็นอนาคตนะแต่ว่าของขอเขาคำเรียดเยอเขก็ผ่านต้เหมนอกแล้วเป็นอนาคตเป็นอดีตผ่านนิดเดียวมันเป็นอดีตเลยนั้นภาษาแต่ภาษามันจะมี แม่จะบอกว่าภาษาไทยตรงกับภาษาเดินเป๊ะไหมคำกับคำไม่ตรงแต่ความหมายตรงแต่ว่าความหมายบางครั้งก็ยากนิดหน่อยเพราะในแต่ภาษาทุกภาษาเนี่ยคํานึ่งมีมากกว่าหความหมายเช่นผู้หญิงหายกินให้การกับเจ้าที่หรือเราให้แฟนที่เป็นชาวต่างฟังบอกว่าชูข่ากาเล่น คือการการเต้นเราเลยสองคันสวนกันการเต้นเพราสวนคำนึงคสวนไม่ออกนึกว่าการเต้นของสองคันสวนกันหรือบอกเลย คือความหมายของคนไทยแต่ว่าฝรั่งฝั่งนมงค์าการที่เราว่าสวก็ต้องการเราต้องสอดแรกสวกันแล้วก็โฉดกันไอ้นี่เขาพูดภาษาใช่ไหมว่าการเด่นนันก็อยางในวันนี้คำถามเมื่อกี้ก็รูว่าถ้าอ่านดีๆว่าพีบัตไทยจะมีเชิงอัดข้างล่างหรือฟุ้โ ว่าแปลได้อีกว่าหรือภาษาเดิมแปลตรงตัวว่าอะไรก็ช่วยเราว่ามันมันมันสื่อความหมายคือถ้าแปลตรงตัวฟังไม่รู้แตลว่าอะไรเราก็ต้องตีความมันต้องขยันหนักสุดโต๊ดนิดหน่อยจะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วบางคำก็แปลได้มากกว่าหนึ่งก็ต้องเลือกเอาผู้แปลก็เลือกว่าจะไป่างนี้แต่อาจจะไปออย่างก็ได้นะผู้ผู้อ่านก็ต้องตัดสินใว่าจะเชื่อผู้แปลหรือว่าจะดูอย่างบริบท ความหมายขึ้นกับบริบทด้วยทุกภาษาภษาอังกฤษภาษาไทยภาษาอะไรมันมีมากกว่าค ำ, คำนึงมีความหมายมากกว่านะครับโอเคหวัว่าจะได้ไประโยชน์นะครับแล้วก็ทำให้เรามั่นใจว่าความพีมีความหมายมากขึ้นก็ไปทำพัน์อันนี้นะก็ เป็นพ่อปีที่เสร็จเมื่อต้นปีก็วางจำหน่ายอยู่ราคาหนึ่้าร้อยบาทแต่ถ้าใครอยากจะได้ตัวนี้ก็ถ้ามีเวลาก็แวะไปที่ศูนย์ประชุมแห่ชาติเศรกิจนะไปที่ชั้น2องสมาคมมีร้านัญญาจ้าก็ลดราคาอยู่มาที่เมืองไทยนะนะก็ก็เจอกันไปดูนะครับแล้วก็ถ้ามีบางคนมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็การสร้้คอมพิวเตอร์ผมก็เอามาพูดเป็นบางๆก็เอามาได้ ดาวน์โหลดนะฮะอันนี้อ่ไม่มีแผ่นแล้วเพราะว่าสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ได้า่อเป็นภาคส่วนแล้วก็ลงทะเบียร์แล้วก็สามารถอันนี้เป็นอันล่าสุดก็คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับหลายคนชอบบ้านมี1971ก็จะมี1971แน่นอนเก่าก็มีแต่นี้เพิ่มขึ้นมาคือ1940และฉบับประชาธิป 1940คือสวัสด์ขอมีเต็มเล่มันแรกของของประเทศไทยก็้อมีชื่อข้ามีตัวแตกต่างเช่นอันนี้เป็นตรลงการก็เป็น genesis รุ่นรนหายหลาหลารุ่เก่ันไอไอคุปหรืออาทิตโมอะไรเชื่อก็มีรุ่นรุ่อเก่าแล้วก็สวัสด์บงที่พวกเราตั้งชื่อว่าชัญนยกแต่หลายคนเขอไนิยมแต่เล่มนั้นเป็นเล่มคาสิกนะ ผู้แปลหลายท่านก็ได้จากตรงนี้ไปแล้วแต่ว่าที่ผมชื่นชอบแล้วก็ย่อมๆมากก็คือว่าเป็นหนังสือก็อผิดเตมอยู่ในโลที่ไม่เป็นในแปลคาและคำอาจจะว่าแปลกนจากกรอีบูเลกกรไทยนะถ้าใครอยากจะสะสมไว้ก็จะอยู่ในในนี้เพราะเราไม่มีความสามารถจะพิมพ์นะเพราะว่าค่าพิมพ์มันแพงขึ้นจำนวนคนต้องการน้อยแต่ถ้าเก็บไว้เป็นข้อมูลเปรียบเทีบก็จะมีข้อมูลไทยสีได้หม ในนี้แล e ้ว hey, ก็มีภาษาาาภาษาราฟูดด้วยแล้วก็มีภาษาอังกฤษแล้วก็มีพวกคำอธิบายพามีเล่มหนึ่งก็ประมาณ500แนี่้าร้มีหลายเล่มนะถ้าใครยังไม่มีก็เชิญชวนให้ซื้ออันนี้บอกขายได้เพราะมันต่ำมากเล่นตัวได้นะชุดละห้รบาทแล้วถ้ามีอยู่เดิมนี่คือไปอัพเข้าไปในเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็อัพได้ก็คือว่าถึงแม้อธิบายนึ ถึงแม้เรามีเครื่องหลายเครื่องที่เราเคยใช้แล้วบอกว่าเครื่องมันเสียหรือว่าตัวไวรัสเ น, นี่ยเราก็ไปดาวน์โหลดมใหม่แล้วก็ใช้ตัวพาสเวิร์ดเดิมสามสอย่างนั่ก็คืออีเมลแอดเดสแล้วก็ชื่อของเราแล้วก็อันล็อกคีซึ่งถ้าลืมก็าก็ไปเว็บไซต์ปิ้มอีเมลเราก็จะส่งให้มาเราก็สามารถใช้ไปได้ตลอดชีวิตนะอาจารยสอนวิธีใช้ <จะ S 1> อีกเลยนะคะ ก็จะพยายามสอนความจริงถ้าเกิดที่โบส์มีคนจํานวนหนึ่งห้าถึงสคนเราก็จะหาคนสอนให้ได้คืออยากให้คนใช้จริงๆมันไม่ได้อยที่ราอาแต่อยากให้คนใช้เพรามีเยอะๆตอนนี้ก็คือผู้ที่ผลิตเป็นชาวต่างชาติแต่ว่าเราก็มีคนไทยที่เอาภาษาไทยเข้าไปกับในโปรแกรมนี้แต่ตอนนี้ก็กาลังพัฒนาก็จะมียุดเล็กน้อยที่เราอยากเห็นว่าอยากให้ทาให้ดีก็คือการค้นหาภาษาไทยคือค้นหาภาษาไทยเรื่อหนึ่งเน่ยเพราะเรามี ไม่เหตุไม่โทรต้องมีสาเรเยอะแยะซึ่งภาษาอังกฤษมันไม่มีอันนี้พอมันมีเยอะมันแยกไม่ออกมันแยกไม่ออกมันยังไม่ฉลาดเท่าไหรแต่ก็าคิดว่าต้องหาวิธีทําอยู่นะก็ถ้าใครสนใจก็เชิญได้นะครับหรือเอ่อคนที่มีอยู่แล้วก็ได้ายมคทัอเด็เนี่ยก็เข้าไปเว็บไซต์ก็คือไม่ต้องซื้อใหม่ก็อ่าใช้ตัวเดิมแล้วก็อัปเดตก็อะไรของใหม่เข้ามา โอเคถ้าอย่างนั้นเราเอ่อคงแค่นี้นะ